จเจริญธรรมทุกๆคนรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองปรากฏขึ้นแล้วณนะบัดนี้วันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2556ขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมาเสง แม้วันนี้บรรยากาศใหม่สงครามสังคมที่จริงเปิดมานานแล้วล่ะสงครามสังคมเนี่ยแต่วันนี้วันนี้มันบรรยากาศมันมันมันใหม่ใหม่ตรงไหนใหม่ตรงที่ว่าสงครามสังคมมันใหม่มันเป็นวาระของสองครามอยู่เหมือนกัน คำว่าสงครามหมายความว่าอะไระเดี๋ยวจะได้ขยายความแล้วคำว่าสงครามสังคมมันใหม่หมายความว่าอะไรเดี๋ยวรอสักครู่นึงก็แจ้งให้ทราบสะบัดนี้ว่าวันนี้อาจจะมาวันแมนโชว์โปรดักชันเดี๋ยวไมโครโฟนวันนี้ <laughs> เพราะว่าเป็นรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองก็คนเดียวมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าโดยลักษณะของรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองนั้นจะมีการให้ทางบ้านมาร่วมด้วยอาตมาจะบรรยายคนเดียวเองเนี่ยครึ่งเวลาแล้วก็ให้ทางบ้านส่งประเด็นมาเพราะฉะนั้นทางบ้านก็ทราบๆด้วยวันนี้พิเศษวันอาทิตย์ไม่เคยหรอกสงครามสังคมแต่วันนี้ เอาสงครามสังคมมาใส่วันอาทิตย์ซะและก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปอีกต่อไปก่อนสำหรับวันอาทิตย์แม้ในวันต่อไปก็ตามอาทิตย์ต่อไปก็ตามลองเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้ดูเพราะงั้นที่นี่เป็นกรุงเทพประเด็นผู้จะส่งประเด็นเข้ามาก็ใช้โทรศัพท์สองหมายเลขคือศู8แปดแปด 5 8 5 9 1ดห้ากหนึ่งหนึ่งห้ากับ0885859116หห้า้าหนึ่งหนึ่งหสองหมายเลขเดยกันอ่ารังบ้านก็รับทราบไปด้วยผู้ที่นั่งหน้าจอจะส่งประเด็นเข้ามาก็เชิญได้เลยนะบัดนี้มีผู้รอรับสาอยู่แล้วอ่าบอกเบอร์อีกทีหนึ่งอ่าทวนอีกครั้งหนึ่ง ศ 0, 0 8 5 6ศูห้า0 8ห์ตอศูนยดอหย์ศปดปดห้าแปดห้าเ้าหนึ่งหนึ่งห้ากับ0นปดปดห้าแปดห้า้าหนึ่งหนึ่งหอ่าสองหมายเลขยกันเ้าเชิญอาทีนี้ก็เข้ามาสู่เรื่องราวที่เราจะได้เจรจากันอาตมากลึงแล้วเมื่อกี้ว่า ทำไมว่าสงครามสังคมณนะวันนี้เอาณวันนี้เลยนะเอาปัจจุบันนี้เลยทําไมว่าอบอุ่นอบอุ่นเพราะว่าวันนี้นี่มีหลายกระแสเข้ามารวมที่นี่และการเข้ามารวมที่นี่รู้สึกว่าเป็นการเข้ามารวมอย่างอย่างอบอุ่น มันไม่ได้เข้ามารวมอย่างที่เคยเข้ามาแล้วก็มาเล่นแง่เข้ามาก็มาหาเรื่องเข้ามาก็มาทำอะไรตรังกันมันไม่ใช่มันกำลังจะเข้ามารวมกันโดยพยายามที่จะจับเหลี่ยมเข้ามาต่อกันให้สนิทมันยังเหลือเหลี่ยมอยู่ไอ้เหลี่ยมเหลี่ยมนี้ไม่ค่อยดีเลยอ่ามันยังเหลือเหลี่ยมอยู่มันก็เลยยังไม่ค่อยสนิทนะ ก็เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เลยเออดีแต sal ่เห็นทีแล้วว่ากาลังปรับเลียมอยู่กาลังจะลบเลียมให้เลียมหายไปให้หมดอ่ากำลังจะลบเลียมให้เลียมหายไปให้หมดนะให้ประสานกันให้กลมกลืนให้เข้ากันให้สนิทดีน่ะอ่าก็เป็นเป็นเป็นลิมิตดีนะเป็นลิมิตดีที่เห็นว่าเข้ามาแล้วแม้จะมีเลียมเข้ามาก็ตาม ดังที่กล่าวแล้วก็เห็นว่าได้พยายามที่จะลบเหลี่ยมกันอยู่นะไม่ได้ลบเหลี่ยมกับประเภทที่เรียกว่ามัอนอยากอาที่เขาต่อสู้กันนะเขาจะลบเหลี่ยมกันเนี่ยประเภทนักเลงประเภทอะไรนี่โอ้โหลบเหลี่ยมกันไม่ได้อถือกันนักกันหนาะแต่นี่ไม่ใช่แต่นี่พยายามมันมีเหลี่ยมอยู่โดยที่เรียกว่าแต่ตัวเองแต่ละคนมันมีอยู่แต่ตั้งใจตั้งใจที่จะมาใช้เหลี่ยมเหล่านี้เข้ามาให้เป็นเกลียวให้มันเป็นเฟือง ที่จะมาประสานกันให้เป็นจักรกลเป็นจักรแก้วจักรแก้วมาแก้วช้างแก้วอะไรอีกแก้วเอ่ยจักรแก้วมาแก้วช้างแก้วอะไรแก้วลงท้ายในปรินายกแก้ว ข้อที่เจ็ดไม่มีเจ็ดแก้ว อ, อัตมาชักจะไม่คอยจะไม่ได้รื้อฟืน้นนะแก้วเจ็ดแก้วเนี่ยนะอารพานก่อนนะก็เลยยังกําลังพยายามจะเป็นจักรแก้าได้ก็จะต้องมีเฟืองมีกลไกมีอะไรต่ใดเข้าเป็นเครื่องกลที่มันประสานกันนะไม่ว่าจะเฟืองเล็กเฟืองใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนใ้ของจกักรกลมันจะเข้ามาร่วมกันหมุนกันอย่างแรงและเร็วได้เลยมีประสิทธิภาพสูง <c oughs> การที่เราได้มาร่วมกันเพื่อที่จะสร้างสร้างให้เป็นกองทัพประชาชนโดยมีคำว่ากองทัพรมสอดประสานอยู่อย่างสนิทเนีย น, น สองภาษาก็เยินสนิทเนียนอันนี้อาตมาว่าเป็นความตั้งใจจริงนะไม่ได้พูดเล่นเลไม่ได้เล่นคารมหรือว่าพูดโกโก้แต่เป็นความพยายามจริงๆอาตมาว่าพยายามที่จะทำให้เกิดเช่นนั้นโดยภาษาความหมายมันมีแค่นั้นนะนะภาษามันมีความหมายแค่นั้นมีความหมายแค่ว่ามันเป็นสภาพที่ะจะว่าภาษา คนเข้าใจากองทัพประชาชนกองทัพธรรมมันก็เป็นภาษาแต่ในเนื้อหานั้นมันเป็นคำว่ากองทัพนี่มันหมายถึงอะไรรู้เปล่ากองทัพในหมายถึงกองมนุษย์ที่มีพลังพลังอะไรพลังรักษาบ้านเมืองกองทัพนี่พลังรักษาบ้านเมือง ทั้งโลกเลทั่วโลกกองทัพนี่เป็นพลังรักษาบ้านเมืองเพราะฉะนั้นจะเป็นกองทัพธรรมก็รักษาบ้านเมืองจะเป็นกองทัพประชาชนก็รักษาบ้านเมืองจะเป็นกองทัพทหารจะเป็นกองทัพทหารก็เหมือนกันก็รักษาบ้านเมืองตามนิยามตามนิยามของแต่ละแต่ละกองทัพ กองทัพทำก็ใช้ทำรักษากองทัพประชาชนก็ใช้ประชาชนรักษากองทัพทหารก็ใช้ทหารรักษาตามนิยามตามหน้าที่เพราะฉะนั้นคำว่ากองทัพจึงเป็นเรื่องสําคัญของประเทศชาติทุกประเทศเป็นประเทศชาติทุกประเทศมีคนเอา เอรายละเอียดของจักแก้วช้างแก้วมาแก้วมณีแก้วแก้วมณีนางแก้วขหาบดีแก้วแล้วก็ปรินายกแก้วเจ็ดแก้วอันนี้เป็นแก้วเจ็ดแก้วนะซึ่งท่านเทียบกับโพชอชงเจ็ดพ่อชงเจ็ดมีสติ ธรรมวิจัยวิริยะปิติปัสสติสมาธิอุเบกขาเป็นเจ็ดอาตมาจะไม่เอาธรรมะพจนงเจ็ดนี้มาอธิบายละเพราะว่ามันจะหนักขึ้นตนมันจะหนักไปนะก็อธิบายผ่านๆก็ น, นแล้วกันว่าพจนงเจ็ดนี่เนี่ยผู้ที่ศึกษาธรรมะมาบ้างจะได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย พอประสูติพอประสูติแล้วเดินเจ็ดเก้าประสูติแล้วเดินเจ็ดเก้าพอเดินเจ็ดเก้าก็จบโดยความหมายก็บอกว่าถ้าพุทธเจ้าเกิดแล้วเดินด้วยเก้าเจ็ดเก้า เพราะงั้นโดยความหมายที่ว่านี้จึงหมายถึงการก้าวย่างหรือการก้าวหน้าหรือการก้าวเดินไปของศาสนานั้นก้าวด้วยพุทธชงเจดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติในโลกพุทธชงเจดไม่อุบัติไม่มีใครสามารถรู้ได้ นอกจากพระสมานพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นเจ้าของโพธิชงเจ็ดเป็นสูตรสําคัญมรรคองแผ่เหมือนกันท่านัสอยู่สองอันถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติมรรคองแผ่ไม่มีถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติโพชิชงเจ็ดไม่มีสองอย่างเท่านั้นที่สําคัญในศาสนาพุทธคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้จักสูตรนี้สูตรมรรคองแผ่ก็ดีสูตรโพธิชงเจ็ดก็ดีไม่มีใครสามารถรู้ เป็นของพระพุทธเจ้ามาทุกยุคทุกชั่ไม่นทุกกับการในวัฏสงสารนี้อยู่ในกับการหมุนเวียนอยู่นี่นับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าเกิดมามากมายเท่าไม่ได้ตรวจไม่ได้ทายในมหานาทีน่ามีมากมีมายซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปย้อนตรวจสอบได้นะที่บอกว่าพระพุทเจ้าท่านเดินเก้านั้น คนอธิบายก็เดินก็ฟังกันเป็นบุคลที่ขานพอพระพุทธเจ้าคลอดออกมาป้าก็เดินเลยนะไม่ต้องหัดไม่ต้องหัดไม่ต้องหัดคืบหัดคลานหัดนั่งอะไรเลยเดินก้าวจบสๆเลยเจ็ดก้าวอาตมาก็เลยถามคนต่อว่าและพอถึงก้าวที่เจ็ด พอถึงเ้าที่เจ็แล้วพระพุทธเจ้าท่านนั่งลงหรือท่านนอนล้มลงโดนต่อไม่ได้เพราะมันเดินต่อไม่ได้ในนั้นมันเจ็ดเก้าแล้วนี่มันไม่มีเก้าที่แปดใช่ไหมก็เลยถามมันแล้วจะต่อไปท่านทํำยังไงนั่งลงหรือนอนแล้วก็กลายเป็นทารกนอนไปก็เดินแค่นั้นตอนแรกเจ็ดเกาแล้วจากนั้นก็อุ้มใส่เบาะใส่เปล อ, อะไรไปตามรธรรมดาของทารกยังไง ไม่มีใครตอบมาจะมาได้สักคนพอเดินเจ็ดเก้าแล้วเนี่ยต่อไปเป็นยังไงไม่มีใครตอบได้มันเป็นปุคราธิฐานเป็นการอธิบายธรรมะในเชิงเป็นรู ป, ปรธรรมความจริงก็คือการเก้าเดินเก้าย่างการเก้าไปเป็นพุทธะพุทธะจะเกิดได้ต้องมีการเก้าเจ็ดเก้านี้ด้วยสติโดยธรรมวิจัยด้วยวิริยะปิติปัสสัทธิ สมาธิอุเบกขานี่แหละเจ็ดหลักนี่แหละอ้ะอาพานพระชมเจ็ดพานอาทีนี้อาตามาได้รับาตั้งแต่เมื่อวานนี่แลลวมีพูดขึ้นมาว่าถ้าไล่ทักษิณได้แล้วเขาพูดขึ้นมาว่า ง, งี้นะถ้าไล่ทักษิณได้แล้วควรจะปฏิรูปการเมืองหรือปฏิรูปคน โดยหนึ่งจุหนึ่งไม่ให้นักการเมืองมายุ่งกับการศึกษาของชาติเพราะเปลี่ยนรัฐมนตรีก็เปลี่ยนนโยบายทีนพะพอเปลี่ยนรัฐมนตรีนึงก็เปลี่ยนนโยบายทีทุกทีไปนโยบายรัฐมนตรีคนไหนขึ้นมาก็แม่ยิงพยองเลย แล้วอนติคนก่อนจะวางนโยบายยังไงไว้ไม่เอา้ารือทิ้งเอาของฉันใครมาก็เอาคนใหม่มาหรือทิ้งของฉันรือ้อริงของฉันมันก็ไม่เป็นขบวนมันก็ไม่มีการสืบสารมันก็ไม่มีการเป็นโลเป็นภายอะไรเละแต่จริงๆอาตมาเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะเอา 1.1 มางั้นทีนี้ 1.2 คนให้คนเก่งๆมาดูแลการสร้างคน สร้างคนนะอย่างต่อเนื่องเช่นก็คนเก่งศาสนาก็มาสร้างศาสนาขอเก่งวิทย า, าศาสตร์ก็มาสร้างวิทย า, าศาสตร์ขอเก่งการศึกษาก็มาสร้างการศึกษางเก่งสิ่งแวดล้อมก็มาสร้างสิ่งแวดล้อมจอเก่งเศรษฐศาสตร์ก็มาสร้างเศรษฐศาสตร์เป็นต้นนะ อันนี้เนี่ยจะมาว่าโดยสามัญสำนึกธรมธรมดาธรรมดานทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วแต่มันไม่ยอมกันคนเก่งมันเยอะคนเก่งมันเยอะไม่ยอมกันมันก็เลยใช้อำนาจใครมีอำนาจมากก็เอาของเก่งของข้าเก่งขององค์เก็บเองของเองเก็บไว้ก่อนเอาเก่งของข้ามา มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดกาลนานนะมันก็เริ่มมันก็เอา้าความคิดอ่านอตมาวิดยาศาสตรมันสำนึกตรงกันน่ะไม่ไม่ผิดหรอกไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ก็ตาง ก, กันหรอกมันก็จะอย่างงี้นะอันนี้ก็เป็นการแนะนํานํานําแนะนํามาก็ขอบคุณก็ใช้ได้นะทีนี้วันวานนี้อาตมาได้เอาประเด็นของคุณนักกฎหมายนะที่ว่ามาว่า ท่านอยู่ในคาบนักบวชและไปแสดงบทบาททางการเมืองนี่มันย่อมไม่เหมาะสมนะสังคมที่มันวุ่นวายอยู่เุกวันนี้ในเหตุหนึ่งก็เพราะว่าคนไม่รู้จักหน้าที่นะการรู้จักหน้าที่คือวินัยอย่างหนึ่งของสมาชิกในสังคมต้องเพียรปฏิบัติให้ได้ท่านว่างั้นอาตมาก็ตอบไปแล้วว่าวานนี้นะวหน้าที่คืออะไรแล้วนักบวชมีหน้าที่อย่างไรนะ อาตมาก็ว่าไปแล้วหรือแม้แต่ท่านต่อท้ายมาว่าบนเวทีต่อสู้ทางการเมืองนั้นเป้าหมายของชัยชนะอย่างเดียวท่านว่างนั้นนะอาตมาก็ตอบไปแล้วอะเมื่อวานเนี่ยเป้าหมายของการเมืองนี่นคือชัยชนะอย่างเดียวไม่คำนึงถึงวิธีการด้วยถูกไม่ถูกชอบไม่ชอบไม่รเอาชนะอย่างเดียวอย่างนั้น เพราะงั้นมันจึงต้องถ้าเราเป็นนักธรรมะแล้วเราต้องพิจารณาให้มากว่า ง, งั้นถ้ามาทําอย่างนี้แล้วถูกผิดไม่ชอบเราเอาชนะอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไม่ได้หรอกมันไม่ดีหรอกมันขัดแย้งกับธรรมะแน่นอนนะเพราะงั้นอาตมาก็เลยอธิบายไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าชัยชนะมันมีสองชัยชนะใช่ไหมอ่ชาชัยชนะอย่างโลกกับชัยชนะอย่างธรรม ไทยชนะอย่างธรรมะนั้นไม่ได้ไปชนะชนะอะไรใครหรอกมันจะเป็นการสร้างความดีงามเมื่อใครสร้างความดีงามได้มากเหมือนชนะนะเหมือนชนะแต่ผู้ที่แพ้ก็อนุโมทนาสาธุด้วยกันผู้ใดชนะมีธรรมะยิ่งเจริญยิ่งก้าวหน้ายิ่งดียิ่งงามเท่าไร่เท่าไร่เพราะฉะนั้นการเอาชนะค้าขานกันทางธรรมะนั้น มันไม่มีศัตรูมันไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความเสียหายมันไม่การทําลายทําร้ายอะไรกันเลยแต่ในทางโลกเขาแน่นอนเ้าทำร้ายทําลายกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ถูกต้องท่านนักกฎหมายติงมาวันวานนี่ตอบไปแล้วอัตมาตอบไปอย่างสนุกสนานฟังกันจนกระทั่งอัตมาเดินลงไปแล้วบอกโอ้โหมันนะมันนะ เหมือนกับสมัยแรกๆอัตมาไปบรรยายนทำมาอยู่ที่วัดมหาธาตุแต่ตอนแรกๆ อ, อัตมาบวชใหม่ๆพ้อสอน 16, 15, หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหึ่งห้าหนึ่งหกด้วยซ้ำไปบรรยายอยู่วัดมหาธาตุต้ต้นตะโศกตั้งแต่ยังไม่เป็นเดียวนี้เดียวนี้มันต้นตะโศกหายหมปแล้วตัดทิ้งหมดแล้วสร้างตึกสร้างรามอะไรเต็มหมดอแต่ก่อนนี้เป็นที่นั่งเป็นสํานัตกตะกศิลานะ นักธรรมะเต็มเลยโหถกกันยังอะไรดีอวโหวสนุกสนานมากเลยอาตมาก็ไปพวงจักธรรมะเนี่ยโหอธิบายซึ่งไม่มีพระองค์ไหนเขา้ า, า, เขาไปบรรยายอย่างอาตมาเราอาตมาอธิบายก็คล้ายๆเมื่อวานเนี่ยคือว่าโอ้โหชัด ๆ, ๆ, ๆคนโตมันเยอะแล้วก็ชัดๆโตโหโอ้เงืยแตกเลยนะเงืยแตกเหงือแต่ใน ต, ต, ตะวันตะวันโอ้โหลงมาเมื่อย มีอยู่วันหนึ่งพอเสร็จแล้วลงมาปุ๊บมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาที่บอกโอ้โหลูกพี่มันจะหายเลยกูบอกอ่ลูกพี่มันจะพายเลยแต่ว่าลูกพี่พูดช้าหน่อยได้ไหมพบฟังไม่ทันเหมือนก็อ บ, บอกพบฟังไม่ทันพูดช้าหน่อยได้พบฟังไม่ทั น, ทนนะขนาดฟังไม่ทันอย่างมันเลย ถ้านักกฎหมายมีก็เลยฝังแล้วก็เฟซมาอีกนะเขาส่งประเด็นที่นักกฎหมายส่งมาให้อีกบอกว่าการที่เลือกอยู่เฉยๆฟังดีๆนะจะเริ่มแล้วนะ <laughs> การที่เลือกอยู่เฉยๆก็เพื่อจะไม่เข้าไปเพิ่มความวุ่นวาย เพราะความกังวลว่าตนเองจะมีความเชื่อที่ตกอยู่ในกระแสที่ตกอยู่ในกระแสแห่งการโฆษณาตามข้อมูลจริงของสังคมที่เกิดปัญหาจริงโอ้โหนักกฎหมายนีร่รวบรวมมาความหมายของสังคมมาเรียบเรียงเอาไว้ฟังดีๆนะตนเองจะมีความเชื่อ กลัวนะกลัวว่ากลัวว่าตนเองกลัวว่าจะใครก็แล้วแต่เรานี่แหละตนเองจะมีความเชื่อที่ตกตกเข้าไปในกระแสก็ตกอยู่ในกระแสแห่งการโฆษณาตามข้อมูลนะตามข้อมูลจริงของสังคมที่เกิดปัญหาเป็นสังคมที่เกิดปัญหานะเข้าไปตามข้อมูลของสังคมที่เกิดปัญหาจริงกูจะตกเข้าไปอยู่อันนั้น และเป็นไปในทิศทางของพวกที่กําลังวางแผ น, นไปในทิศทางที่ของพวกที่กําลังวางแผนที่คิดจะชิงอานาจการเมืองที่คิดจะชิงอานาจการเมืองซึ่งมีความสลบสับซับซ้อนมากกว่าที่ผ่านมาโดยอาศัยคนจริตแบบเราอาศัยคนจริตแบบเราที่มีลักษณะทนไม่ได้ด้วยใจกรุณา เที่ยมจริตแบบเราลักษณะแบบเราที่ทนไม่ได้โดยใจกรุณานั่นเป็นเหตุหลักะเอาเอาเอาอจริตแบบเรานี่มามมามาเป็นเหตุหลักจึงไม่เห็นด้วยะจึงไม่เห็นด้วยที่นักบวชเก้าออกมาเนี่ยจึงไม่เห็นด้วยที่นักบวชก้ามาจึงจึงได้มาวิพากษ์วิจารณ์ว่า ง, งั้นนะนี่นี่เปประเด็นแรกนะ ทีนี้ข้อที่สองบอกว่าการเลือกเก้าเข้าสู่ความชัดเจนต่อการมีความเห็นอันเกิดแต่ปัญหาแผ่นดิ น, นาการเข้าเข้าสู่ความชัดเจนอันนี้สำคัญการเข้าสู่ความชัดเจนในผู้ที่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ชัดเจนไม่ได้าการเลือกเก้าเข้าสู่ความชัดเจนต่อการมีความเห็นอันเกิดแต่ความ เป็นปัญหาแผ่นดินและความขัดแย้งสะสมความเป็นปัญหาแผ่นดินกับความขัดแย้งสะสมกระทั่งนําพาประเทศเสียหายตามที่ตนชัดตามที่ตนชัดอย่างมีสติเพื่อหมายจะช่วยคลี่คลายในปัญหาต่างๆในลักษณะที่แต่ละฝ่ายแต่ละคนมองเห็นอย่างรอบข้อ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ความห่วงใยในข้อหนึ่งจะโดยรู้ตัวหรือไม่หรือแม้จะตกลงไปในข้อหนึ่งทั้งรู้ก็ตาม น, านี่ก็หมายความว่าต้องเลือกก้าวเข้าสู่ความชัดเจนต่อการมีความเห็นอันเกิดแต่ความเป็นปัญหาแผ่นดิน และความขัดแย้งที่สะสมนะจนกระทั่งได้นาพาประเทศเสียหายนะพาประเทศเสียหายตามที่ตนเห็นชัดอย่างมีสติหมายความว่าที่จะทําอะไรก็ต้องตรวจสอบในในในที่สังคมเกิดปัญหาขัดแย้งกันเนี่ยต้องพิจารณาได้นําพาประเทศเสียหายตามที่ตนชัดอย่างมีสติเพื่อหมายจะช่วยคลี่คลายในปัญหาต่างๆในลักษณะที่แต่ละฝ่ายแต่ละคน มองเห็นอย่างรอบข้อโดยไม่ตกอยู่ภายใต้ความห่วงใยในข้อหนึ่งจะโดยดูตัวหรือไม่ดูตัวก็ตามแม้จะตกลงไปในข้อที่หนึ่งรู้ ก, กับตัวตามอ่าแล้วคนนี้ ก, ก็บเปรียบยกตัวอย่างเปรียบอ่าขออ่านเปรียบซะก่อนแล้วก็ย้อนขึ้นมาพูดถึงประเด็นที่คุณตั้งกฎหมายว่ากันแล้วก็ไล่กันไปทีละประเด็นทีละประเด็นทีลปะลปลอกอุปมาเหมือนของเบ้ง ที่สัมผัสความทนไม่ได้ด้วยใจกรุณาของเล่าปี่ที่มีต่อประชาชนสมัยนั้นจึงก้าวออกมาจากบ้านณเขาลังกังที่สุดก็ได้บาปกลับไปมากมายของแบงนี่ยได้บาปกลับไปมากมายแม้ตนเองก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หลงคือว่าตัวของแบ่งเงนี่ยก็ไม่ได้หลงเสพติดลาบยศสันเริญใด หากยังคงสมถะวางราบยศสรรเสริญเป็นคนธรรมดาเช่นเดิมเหมือนแต่แรกแม้กระทั่งสิ้นลมหายใจแล้วก็คงสั่งสิทธิ์ไว้อีกอย่างชัดเจนหรือพวกครูจะมีแนวแนะนำเช่นไรก็ถวายข้อมูลแห่งมุมมองที่มีไว้ให้ทราบครับผมว่างั้นนะ อ, อ้าวอาตมาก็ขอใช้ประเด็นดนี้ของคุณนักกฎหมายนี้มาพูดกันนิดหน่อยเรื่องที่คุณนักกฎหมายพูดนี่ซับซ้อนหลายชัน้นลึกซึ้งตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะตั้งแต่บอกว่าการที่เลือกอยู่เฉยๆเพื่อจะไม่เข้าไปเพิ่มความวุ่นวายอ่าว่างั้นเลยนะเพราะความกังวล ของตนเองเนี่ยกังวลว่าตนเองจะมีความเชื่อจิตตกอยู่ในกระแสอันนี้เป็นความกังวลของคุณนักกฎหมายเองนะอาตมาก็ขอตอบก่อนอื่นก่อนจะตอบอันต่อไปว่าประเด็นนี้อาตมาไม่มีความกังวลนะอาตมาไม่มีความกังวลเหมือนนักกฎหมายอาตมาชัดเจนนะอาตมาชัดเจนว่าอาตมาจะเข้ามาเนี่ยอาตมาจะไม่มาเพิ่มความวุ่นวาย ในประเด็นสําคัญนะอย่างคุณนักกฎหมายบอกว่าที่เลือกอยู่เฉยๆก็เพื่อว่าจะไม่เข้าไปไปเพิ่มความวุ่นวายเพราะกังวลว่าตนเองจะมีความเชื่อที่ตกอยู่ในกระแสะแห่งการโฆษณาตามข้อมูลจริงของสังคมที่เกิดปัญหาจริงต้องยอมรับนะว่าสังคมขณะ น, นี้สังคมเราเกิดปัญหาจริงใช่ไหมอ่าสังคมเราเกิดปัญหาจริงเพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าตัวเองจะมาร่วม ตกเข้าไปในจะฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งก็แล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทาให้ปัญหานั้นลดได้จะกลายเป็นมวลที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้จริงๆไม่มั่นใจตนเองก็เลยไม่ออกมาอยู่เฉยๆดีกว่าอ้าวดีเหมือนกันนะระมัดระวังก็ดีเหมือนกันเมื่อไม่แน่ใจแลวตัวเองจะกลายไปเป็นมวลถ้ามันผิดมันก็ส่งเสริมการเกิดความวุ่นวายได้ ก็เลยเลือกไม่ออกมาแต่มันต่างจากอาตมาอาตมาไม่มีความกังวลอาตมาชัดเจนและอาตมามั่นใจนะว่าที่ทำเนี่ยนะไม่ได้ทำอย่างไม่ชัดนะอาตมาเคยพูดนะอาตมานี่เป็นลูกพระพุทธเจ้าขออภัยอาตมาพูดในเหมือนเท่เหมือนเกเแต่ไม่ได้พูดเล่นผมพูดจริงๆถ้าคุณเข้าใจนะ เข้าใจว่าโพธิสัตว์คืออะไรในเถรวาสนี่ถือว่าโพธิสัตว์นี่คือปุถุชนในพทธในเทรวาสเนี่ยโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยเข้าใจว่าโพธิสัตว์คือปุถุชนไม่ได้ส่งเสริมนับถืออะไรหรอกเพราะฉะนั้นอาตมาจึงใช้คําว่าโพธิสัตว์นำนำทางานมาถ้าคืนไปใช้อรหรันทํางานมาตายตั้งแต่ออกเดินเลยก้าวแรกตายตายอย่างเขียดเลยไม่ได้ เขาถือมากติดใจมากเพราะเขาไม่ถือว่ามันเขาไม่เชื่อว่ามีแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่เชื่อว่ามีอหรหันต์แล้วด้วยพระยนะนรรมมาจึงออกมาในฐานะโพธิสัตว์คำว่าโพธิสัตว์คือผู้มีโพธิโพธิคือความจัดสรูผู้มีปัญญาจัดสรูแล้วอย่างน้อยโพธิสัตว์ขั้นที่หนึ่งคือโพธิสัตว์โสดาบัน ขั้นที่สองคือโพธิสัตว์สกิทาคารีขั้นที่สามโพธิสัตว์อนาคามีขั้นที่สีโพธิสัตว์อรหันต์ขั้นที่ห้าโพธิสัตว์อนุอนุโพธิสัตว์คือเริ่มต้นเป็นโพธิสัตว์ตั้งต้นตัวแท้ขึ้นไปเลยอนุโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ตามความจักรสรู้สัตว์ผู้ที่ตามความจักรสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้น จบเป็นอราหันต์แล้วก็ตั้งภบภูมิต่อเป็นพุทธภูมิก็เริ่มต้นเป็นอนุโพธิสัตว์ต่อจากอนุโพธิสัตว์ก็คืออนิยตะโพธิสัตว์เป็นระดับที่ห อ, อ, อนิยตะอนิยตโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์ที่ยังสอบเอ็นทรานยังไม่ได้ภาคเพียรอยู่ภาคเพียรจะสอบเอ็นทรานซ์เไปเรื่อยๆ เ, เพื่อที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าจะป ศึกษาในมหาวิเลยพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะดังเช่นธานยังไม่ได้อันดับที่เจ็ดคือผู้ที่ entrance เข้าไปเป็นเข้าไปเรียนในมหาวิเลยพระพุทธเจ้าได้แล้วเรในว่า น, นียตะโพธิสัตว์แต่ไม่แน่นะ่รีทายได้เหมือนกันเข้ามาหาวิเลยได้ในะยังที่รีทายได้เหมือน น, นะแต่เข้าแล้วเข้าได้แล้วเข้ามาหาวิเลยได้แล้วอันดับที่เจ็ดเข้ามาหาวิเลยได้น่ะมีสิทธิ์ที่จะ เรียนรู้เพื่อที่จะทำปริญญาได้อันดับที่แปก็คือผู้ที่สูงขึ้นไปตามลำดับอันดับที่9ก็คือผู้ที่สุดท้ายเลยซีเนียเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับสูงสุดซีเนียเมื่อจบซีเนียก็ขึ้นเป็นส ม, มาสัมโพธิญาณ น, น, นี่คือโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ยึงไม่ได้แปลว่าสัตว์ใต้ต้นโพคอยเก็บลูกโพกินหรือว่าคอยเนีมองแง้มมองอะไรอยู่ใต้ต้นโพแต่ไม่มีโพไม่ใช่นี่นี่เทรวาส์ที่บอกว่าเทรวาสนี่เข้าใจว่าโพธิสัตว์นี่คือผู้ที่เป็นอริยะไม่ได้อัตมาจะอธิบายฟังว่าพวกเราเคยฟังธรรม า, มาตมาธรรมาเคยอธิบายฟังมามากแล้วโพธิสัตว์เป็นอริยะไม่ได้ ไอโซดาก็ไม่ได้สิกิทาก็ไม่ได้อนาคาก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะทางดีๆ น, นี่เป็นธรรมะแหละเพราะทางเถรวาเนี่เข้าใจว่าผู้ที่บรรลุธรรมถ้าบรรลุธรรมแม้เป็นโสดาบันยังต่าที่สุดขั้นต่ําที่สุดนี่ฉันเชื่อว่าสัตตคตุปะรมโสดาคือโสดาบันที่ถ้าเป็นโซดาขั้นที่หนึ่งนี่ต่ําที่สุดแล้วที่สัตตะขตุประรมะโสดาเ น, นี่ยสัตตะในแปนวลว่าเจ็ สักกตสัตขัตสุปัฏฐาหมายว่าเป็นพระโสดาบันที่จะเมื่อบรรลุอริยะแล้วจะเกิดมาอีกเจดชาติถ้าเกิดครบเจ็ดชาติแล้วจะต้องบรรลุเป็นพระอาหารหันต์พระโสดาบันเนี่ยเนี่ยเขาอธิบายในเทรวาททีนี้พอเกิดมาเจ็ดชาติแล้วตายชาติที่เจ็ดเป็นอาหารหันต์ใช่ไห แล้วความเข้าใจของเทรวาสนี้ว่าอารหันตุกองค์เป็นอรหันต์แล้วตายแล้วต้องศูนย์ตายแล้วต้องไม่มีอะไรต่ออีกเลยเพราะไม่มีเรื่องของโพธิสัตว์ตายแล้วก็ศูนย์โพธิสัตว์เป็นอริยะไม่ได้เพราะว่าเป็นอรหันต์แล้วต้องตายแล้วศูนย์พอบรรลุอรหันต์แล้วตายต้องศูนย์ ถ้าเป็นพระโสดาบันจะต้องเป็นอหรหันต์เจชาติางไงสูงสุดต้องเจชาติโสดาบันจะมีสามอย่างหนึ่งโกลังโกละสองหนึ่งสัตตกตุปราโสดาสองโกรังโกละสามเอกพิชีโกลังโกราหมายความว่าอย่างอย่างชาติก็จะเกิดหชาติหรือห้าชาติหรือสี่ชาติก็จะต้องมรดูอหรหันต์หรือสามชาติหรือสองชาติ ก็จะต้องบรรลุเป็นละหันหรือโซดาอีอย่างนึงคือเกิดอีกชาติเดียวเอกพีจีก็จะต้องบรรลุเป็นละหันเมื่อบรรลุเป็นละหันแล้วเป็นไงก็จบตายแล้วก็ต้องศูนทีนี้คนที่อย่างมากเกิดเจดชาติถ้าไปบรรลุอริยะสัจแล้วเป็นบรรลุเป็นอริยสัจแดงเป็นโซดาบันเป็นต้นแม้เป็นโสดาบันขั้นต่ําที่สุดมันก็ต้องเกิดเจดชาติ แล้วเป็นต้องเป็นอรหันต์เมื่อเป็นอรหันต์แล้วเป็นไงก็ต้องตายแล้วก็สูญไปมันก็จบไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่เพราะงั้นเป็นพระเจ้าไม่ได้เพราะเป็นอรหันต์แล้วต้องสูญเป็นอรหันต์แล้วต้องย่างมากเจ็ดชาติแล้วจะบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้านี่บำเพ็ญเจ็ดชาติมันจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไงมันนิดเดียวไม่มีใครรบวันเป็นเจ็ดชาติแล้วได้เป็นพระเจ้าไม่มี เพราะฉะนั้นเขาเกลเอบอกว่าโพธิสัตว์นี่บรรลุอริยะไม่ได้นี่คือแนวคิดของเทราวาที่น่าสงสารมากเลยฟังดีๆคนที่ตั้งใจศึกษาธรรมะหรือพยายามศึกษาธรรมะบ้างจะรู้ว่าความผิดพลาดของความคิดทางศาสนาพุทธนี่เป็นความคิดทางศาสนาพุทธที่เทราวาทผิดพลาดอย่างมหาศาลเลยผิดพลาดอย่างมหาศาลเลย ผี่พลาดอย่างมากก็คือว่าหนึ่งอรหันต์ตายแล้วศูนย์สองเข้าใจความเป็นชาติไม่ได้เพราะโสดาบันเกิดเจ็ดชาติก็คือเกิดเจ็ดพุทจากท้องพ่อท้องแม่มาเจ็ดทีชาตินี้เกิดมาเป็นในกอชาติสองเกิดมาเป็นในขอชาติสามเกิดมาเป็นในคอชาติสี่เกิดมาเป็นในงออะไรนี่สี่ชาติแล้วต้องเป็นอรหันต์ตามหลักเกณฑ์ นึกว่าการเกิดนั่นคือการเกิดของตัวตนบุคคลเราเขาเกิดว่าเป็นตัวตนแท่งๆก้อนๆเนี่ยที่จึงไม่ใช่เลยเจ็ดชาติคําว่าเจ็ดชาตินี้มีความลึกซึ้งของปรมัชญธรรมพระโสดาบันนี่จะเป็นสัตว์ที่บรรลุแล้วสามชาติคือสังโยชน์สามบรรลุสักกายทิฏฐิบรรลุวิจิกิจชัด สังโยชน์บรรลุศิลปตระปรามาสสังโยชน์สายังเหลืออีกเจ็ดชาติคือเจ็ดสังโยชน์เจ็ดสัตว์เจดสัตว์สังโยชน์เจ็ดยังเหลืออีกเจ็ดบรรลุแค่สามสังโยชน์มันมีสิบเพราะฉะนั้นพระนนพโสดามาจะต้องมาล้างสังโยชน์อีกเจ็ดชาติเจ็ดสัตว์เจ็ดความเป็นปรามาถ ธ, ธรรม ไม่ได้ไปหมายถึงตัวตนบุคคลเราเขานี่คือความเข้าใจที่ยังไม่สมบูรณ์ของเทรวาสไปเข้าใจธรรมะตื้นมาการมาเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไปโมดมันไม่เข้าปรามัตรธรรมเลยก็เลยก็เลยเข้าใจอะไรอะไรผิดหมดเลยเลยไม่บรรลุแม่โสดาบันไปบรรลุอรหันต์ก็อรหันต์ขออภัยต้องพูดชัดเจนผู้ความจริงอรหันต์ปลอมอรหันต์แก้กันเยอะ เลยเกิดการต้มกันอยู่ในวงการธรรมพุทธศาสนากันเยอะขออภัยจริงๆนะอาจมาไม่เจตนาจะมาลบหลู่ศาสนานะไม่ได้มาลบหลู่ไม่ได้มาคิดอ่านที่จะไปว่าคณะศาสนาคณะใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เจตนาจะว่าแต่กาลังสาธยายสัจธรรมสู่ฟังนะเพราะงั้นตั้งใจฟังดีๆสรุปแล้ว อาตมาเมื่อกี้กล่าวถึงตัวเองแล้วก็เลยอธิบายถึงโพธิสัตว์ไปว่าอาตมานี่ออกพอมาทํางานนี่ก็ประกาศต่อในโพธิสัตว์โพธิสัตว์คืออะไรคือผู้มีโพธิอาตมาเกิดมาชาตินี้อาตมาก็ประกาศตั้งต้นเลยว่าอาตมาไม่มีอาจารย์อาตมาไม่มีสํานักศึกษาและก็จริงอาตมานี่ไม่เคยศึกษาสํานักไหนเลย ไม่ได้เป well. like ็นลูกศิษย์ไหนไม่มีสิษย์พี่สิษย์น้องไม่มีอาจารย์สิษย์พี่ก็ไม่มีสิษย์น้องก็มีเพราะว่ามีอยู่สำนักไหนหรือไม่ได้อยู่สำนักไหนแล้วไม่มีอาจารย์อาตมาเป็นอาจารย์ของตนเองเป็นศิษย์พี่ตนเองเป็นศิษย์น้องตนเองคนเดียวหัวเดียวก็เทียมรีบหัวเดียวก็เทียมรีบจริงๆแล้วอาตมาก็ต้องมาทํางานศาสนาซึ่งอาตมาไม่รู้ตัวอาตมาถูกโลกครอบงําให้เป็นนิกระดีกระดิกะดีอยู่ในเมืองมายา ใครรู้จักรักรักพงมั่งคนอายุยาวๆแล้วจะรู้จักรักรักพง40 50ปีมาแล้วถ้าใครอายุสักประมาณ10ปีขึ้นก็ประมาณอายุสัก50ขึ้นจะพอรู้จักอาตมาถ้าอายุน้อยกว่านั้นก็คงจะไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่เพราะว่าอาตมาตอนนั้นอาตมามาบวชนี่43ปีออกจากวงการมาและอาตมาค่อยๆลามือลามือจากวงการ ก็สองสาปีสี่หปีรวมแล้วก็ประมาณ45ห้าหรือเกือบห้ปีที่อาตมาก็ค่อยลดงานลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจากห้าสิปีไปนั่นนะอาตมาก็กําลังโอ้โหออกอาตมาในออกอากาศทางโท ร, โ ท, รทัศน์มีสองจอในประเทศไทยมันใหม่ด้วยกําลังเหอเพราะงั้นคนมีสตางค์ซื้อเจาะซื้อโตจอโทรทัศน์มาดูพอลงเย็นปับ๊บเปิดโทรทัศน์ไปถึงสองยามมันนั่งอยู่ที่หน้าจอกันทั้งนั้นนะมันไม่ไปไหนหรอก เธอใหม่ๆเพราะฉะนั้นแม้จะไม่เก่งออกบ่อยๆมันก็รู้จักเราไม่ดังก็จําเป็นจะต้องดังไม่เก่งก็จะเป็นต้องดังขอให้ได้ออกบ่อยแล้วกันอาตมาออกบ่อยเพราะาอาตมาทํางานเยอะและ้วคือขอไปอาตมาขยันเพื่ออาตมาทํางานไม่เกี่ยงเงินรายการไม่มีเงินอาตมาก็ทํารายการโดยเฉพาะรายการราชการ รายการทานการพวกนี้เขาไม่เอาไม่มีสปอนเซอร์อาตมารับเหมาหมดแล้วอาตมาก็ต้องทําหน้าที่พิธีกรทําหน้าที่อ น, นนี้ตลอดเวลาทั้งเป็นผู้จัดทั้งเป็นผู้พิพธีกรทั้งเป็นผู้โปรดิเซอร์เองไม่หมดนะ่ะมันก็เลยออกเยอะตั้งแต่รายการเด็กยันรายการคนแก่อาตมาเนี่ยทำตั้งแต่แตรายการเด็กไปจนถึงรายการคนแก่เลยว่าก็เล่าสู่ฟังสําหรับคนรุ่นใหม่สําหรับคนรุ่นเก่าก็ไม่ต้องเล่าเราเห็นอยู่แล้วอาตมาออกตั้งแต่ ห้าโมงเย็นไปจนแต่รายการดึกอาตมาไม่คยได้ทำเพราะมันเป็นบันเทิงและส่วนใหญ่ในะรายการดึกอาตมาไม่ค่ยได้ทำอาตมาจึงไม่ชื่อว่าดาราเพราะอาตมาไม่ได้ทําบันเทิงเท่าไหร่ทั้งที่อาตมานี่ยเก่งบันเทิงนะเก่งบันเทิงนะอาตมาทําเป็นหมดละครละครดนตรีการอะไรอาตมาทำได้หมดศิละปะต่างๆนานาอาตมาทำเยอะแต่ว่าพอไปอยู่ในโทรทัศน์เขาไม่ให้ทำเขาให้ทําในการพงศนี้อาตมาก็ไม่เก่งนะก็ทําไป ทีนี้อาตมาพอเลิกจากรายการเมืองมายาออกมาทำงานาศาสนาชาชๆชะอยู่ในโลกมายาปุ๊บออกมามาทำงานาศาสนาและผ่าทำงานาศาสนาระดับโลกุตระด้วยมันก็โอ้โหมันขัดกันสิ คนที่เขาไม่เชื่อน้ำยาเขาดูตามรูปรืดเรื่องเขาดูตามเหตุปัจจัยโถเอ้ยมันเต้นกระดกกระแดกอยู่ในจอเมืองมายาแล้วจะมาสอนธรรมะและธรรมะอริยะธรรมะระดับโลกุตระมันก็เล่นละครน่ะแหละเพราะมันโดดลโงมาจากจอละครจอโทรทัศน์มันก็มาเล่นละครแหละเขาจะเข้าใจอย่างนั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นอาตมาก็ถึงไม่มีคนจะเชื่อน้ำมนต์ไม่มีใครเชื่อน้ำยาอะไรหรอกอาเสื้อธตรมาก็ไม่มีปัญหานะอาตมาไม่มีปัญหาธมาก็ทำก็ธาตมามาเรื่อยๆนะตั้งแต่นนทแหละสี่สิบปีมาถึงวันนี้มันก็มีรู ป, ม, รปมีร่างของสัจธรรมจกนกระทั่งถึงกลุ่มคนเป็นกลุ่มคนที่เทียบได้เลยจะเอา ตรวจสอบธรรมวินัยแปดข้อมาตรวจสอบธรรมที่อาตมาพาทำที่เป็นหลักเปรีบเที่ยวหรือวัดธรรมวินยัยจะเอาวันนักเก้า 9, จะเอ า, า 9, ะเอะไรแต่แต่แม้แต่สาธารณะภคีสารดีธรรมหกพุทธพจน์เจ็ดมายืนยันยืนยันพิสูจน์เลยว่านี่อาตมาทําตามได้ผลตามคำพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าตามพระอนุสาสนีหรือเปล่าอาตมากล้ากล้ายืนยันให้ให้ตรวจสอบ เอฮิป <E ัสิโกเชิญเชิญมาตรวจสอบได้เชิญมาพิสูจน์ได้เชิญมาดูได้จริงๆเพราะอัตมาบอกเขาก็ไม่เชื่อว่าอัตมาเป็นโพธิสัตว์ก็เขาเชื่อว่าอัตมาเป็นสัตว์ใต้ตนโพอย่างที่ว่านั่นแหละแม้ทุกวันนี้เนี่ยอย่าว่าแต่คนที่ไม่เชื่อเลยยังยืนยันเนนย่างไม่รอดในอย่างแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยยังว่าอัตมาสัตว์นรกจะมาผู้ยี่ปุยามาศาสนาอยู่นั่นน่ะ เห็น ไ, ไหมซึ่งอาตมาก็ไม่มีปัญหาเพราะอาตมาเห็นใจเขาเข้าใจเขาเขาแสดงภูมิออกมาอาตมาเข้าใจเขาอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะงั้นในในสังคมที่อาตมาได้มาทํางานอ น, นี้ขึ้นมาจึงเป็นประเด็นที่อาตมาเห็นว่าอาตมามาทํางานนี้อาตมาไม่ได้ทํางานอย่างหล่อแหลกแต่อาตมาทํางานอย่างมั่นใจตรวจสอบประมาทระวังทุกข้าวยามเพราะมันเป็นเรื่อง พลาดไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ว่าลาบสการะเสียงสันเสริญเป็นอันตรายอันแสบเพ็ดแม้พระขีนาศบอย่าว่าจะโสดาบันอย่าว่าจะสกิทาคามีอย่าว่าจะอน า, า, าคามีแม้พระอาหารหันต์ก็เป็นอันตรายอันแสบเพ็ดซึ่งคนเข้าใจมันก็ได้ง่ายหรอกอะไรกันเป็นอรหันต์แล้วยังมีอันตรายอะไรกัน ถึงเขาไม่เข้าใจถึงบารมีไม่เข้าใจถึงเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนี่โอ้โหยิ่งใหญ่ถ้าไม่เข้าใจเหตุปัจจัยองค์สิ่งแวดล้อมเพ้อพาไยไม่ได้ประมาณนั่นเองประมาณไม่ดีผิดพลาดบกพร่องพระรหันยังนึกว่าไม่ผิดพลาดนะพระรหันผิดได้แต่ท่านไม่มีกิเลสแล้วท่านผิดด้วยความจริงใจผิดด้วยความไม่เก่ง เพนได้วยความยังไม่เข้าใจโลกียะโลกียะนี่มันเยอะอย่างที่คุณนักกฎหมายติงมาเนี่ยขอบคุณถูกต้องต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังไปทำผีพรามไปทําประมาทไปทําอะไรไม่ได้ต้อระมัดระเพราะอัตมาทึงรอจังหวะระยะย่างก้าวอย่างโน่นอย่างนี้อยู่อัตมาไม่ทําเป็นเล่นั้นตอนนี้ออกมากันแล้วนี่ออกมารวมกันแล้วนี่ตั้งใจธรรมจัตมาก็ประมาณอย่างดีและ เห็นทิศทางว่าขณะนี้ที่เรากําลังจะทําการเมืองเนี่ยคุณนักการเมืองบอกว่าสังคมที่เกิดปัญหาจริงขณะนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อก็เลยกลัวกังวลไปเชื่อกังวลว่าตนเองจะมีความเชื่อนี่ตกอยู่ในกระแสความเชื่อของตอนเองตกอยู่ในกระแสและก็เข้าใจว่ากระแสของสังคมที่เกิดปัญหาจริงนี่มันเป็นกระแสแห่งการโฆษณา ตามข้อมูลจริงของสังคมขณะ น, นี้อาจจะฟังยากหน่อยในขณะนี้นี่มีข้อมูลฝ่ายแดงก็ข้อมูลหนึ่งฝ่ายพันธมิตรก็ข้อมูลหนึ่งฝ่ายแม่ฝ่ายกองทัพธรรมก็ข้อมูลหนึ่งแล้วก็ฝ่ายในก็มีหลายข้อมูลที่มันยังรวมกันไม่ติดนี่มันต่างคนต่างมีข้อมูลของแต่ละคนเป็นข้อมูลจริงทั้งนั้นของสังคม และแต่ละข้อมูลยังไม่บริบูรณ์แต่ละข้อมูลของแต่ละกลุ่มย่ว่าจะข้อมูลหรือ้องเรียกว่าความคิดรวมเลยความคิดรวมเป็นคอนเซปต์ของแต่ละกลุ่มความคิดรวมของคอนเซปต์ของมโนทัศน์หรือความคิดอง์รวมของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็มีที่ยังขัดแย้งขบกันอยู่ทุกวันนี้นี่มันเป็นอย่างงี้จริง เพราะฉะนั้นคุณนักกฎหมายเลยบอกว่ า, าเดี๋ยวจะเป็นไปในทิศ ท, ทางที่ของพวกเขาวางแผนและเขาก็วางแผนกันไว้แต่ละกลุ่มนี้จะมีแผนแผนอย่างสั้นอย่างยาวแผนอย่างลึกอย่างเผิน อ, อะไรก็ตามใจจะมีแต่ละกลุม่มที่คิดจะชิงอานาจทางการเมืองย้ำอีกทีที่คิดจะชิงอานาจทางการเมือง ซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่ผ่านมาโดยอาศัยคนจริตแบบเราที่มีลักษณะทนไม่ได้ด้วยใจกรุณานะกักกฎหมายคิดว่ากนะ อ, อ, องทัพธรรมเนี่ยมีจริตคล้ายๆกันกับนันะกกฎหมายเองนะว่าเป็นจริตที่ทนไม่ได้ด้วยใจกรุณาเพราะยันก็เลยทนไม่ได้ต้องออกมาช่วยต้องออกมาช่วย มันเห็นออกมาช่วยส่ม่ได้ก็เลยออกมาออกมาก็กลัวจะผิดพลาดเพราะว่าไวไวใจตนเองเป็นความระมัดระวังที่ดีมากอาตมาอนุโมทนาด้วยอย่าพรีผลามเป็นการระมัดระวังดีแล้วนะเลยก็เลยบอกว่ า, วานั่นจะเป็นเหตุผลหลักของคุณนักกฎหมายจึงไม่เห็นด้วยที่นัดบวชนะนำก้าวออกมาไม่เห็นด้วยที่อาตมาเป็นนักบวชนําำก้าวออกมาก็ขออภัยที่ต้องตอบว่าคุณกังวลไว้นั้นถูกต้อง แต่มีเอ็กเซปชันได้ไหม <laughs> เอ็กเซปชันในนักบวชโพธิรักสักรูปหนึ่งได้ไหม <laughs> อ้าวพูดไปแล้วประเดี๋ยวจะหาว่าหลงตัวเองหรือว่าถือดีหรือว่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปมันก็ไม่ดีจริงๆเรามั่นใจในตัวเองมากเกินไปไม่ดีเราต้องระมัดระวังจริงๆอัตมาก็ ก็มั่นใจในตัวเองด้วยและก็ระมัดระวังด้วยอยู่อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่ที่แสดงความเห็นออกมานี่เป็นประเด็นข้อที่หนึ่งที่คุณนักกฎหมายแสดงออกมาท่านมาก็วิเคราะห์วิจัยให้ฟังนะเป็นความรู้ว่าเป็นความซับซ้อนซึ่งเป็นความเห็นเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งจริงไหมแค่ฟังดีๆตั้งใจฟังดีๆจะเข้าใจเป็นความเห็นที่ลึกซึ้งและเป็นความเห็นที่ถูกต้อง โดยสังคมประเทศไทยขณะนี้เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นก่อนจะไปข้อสองอัตมาข อ, ข, อ ข, อขอแจ้งขอบอกต่อแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแล้วแต่ละคณะที่มีแผนโดยมีวางแผนจะวางด้วยเจตนาวางด้วยไม่เจตนาวางอย่างสั้นอย่างยาวหรือวางอย่างเพลินเพินวางอย่างลึกลึกก็ตามน่า ขอให้พยายามอย่าไปยึดเป็นของของตนเองได้ไม่บักนี้วางมือสักก่อนวางตัวเองสักก่อนวางแผนของตนเองสักก่อนมันนำมาเข้ามารวมตัวกันใช้ความร่วมร่วมหัวเรียกว่ามาคิดช่วยกันคิดเบรนสตอมเนี่ยมาร่วมกันคิด ามาร่วมกันคิดมาร่วมกันโอภาปราศัยกันโดยไม่เอาอัตตาไม่เอาตัวตนเข้ามาซึ่งอัตมาพูดแล้วพูดเอกอาตมาเชื่อว่ากลุ่มมันมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆนะคือกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนู้นแหละนะอัดเดสูดนะ้ากลุ่มนู้นแหละกลุ่มหนึ่งอีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนี้แหละสองกลุ่มเนี่ย มันชัดเจนแล้วตอนนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะเพราะงั้นเอาละกลุ่มโน้นยังไงเขาก็ไม่มาเพราะงั้น ใ, นใครจะบอกว่าอีกกลุ่มหนึ่งมีจุดเป้าหมายอันเดียวกันมันมีสองอันเท่านั้นขนาดนี้อสองอันขนาดนี้นะไม่ฮะพูดดีไหมเอาพูดดีกว่านะ เอาให้าชาติเลยนะเอาให้เป็นเรียกว่าเอาให้เป็นดำเป็นขาวกันเลยนะอากลุ่มนึ่งกลุ่มไักษินกลุ่มนึ่งกลุ่มไปเจ้าอยู่หัวออใช่ไหมอ่าต่างคนก็ต่างอ้างประเทศชาติทั้งนั้นละ่ะอ้างประชาชน อ้าประเทศชาติทั้งสองฝ่ายทั้งสองกลุ่มนะแต่เนื้อลึกๆแล้วมีสองลึกมีสองอันหนึ่งเกิดฝ่ายหนึ่งทัดกษินฝ่ายหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวเอาสองฝ่ายเพราะฉะนั้นผู้ใดเป้าเดียวเท่านั้นแต่ว่าเอาซิมาร่วมกันเพื่อที่จะให้เหลือแต่พระเจ้าอยู่หัวมาเลยอ่า คุณจะสีแดงหรือสีเหลืองหรือสีเขียวสีฟ้าสีดำเงินสีสีกระดำกระด่างก็ไม่ว่า <laughs> ถ้าในใจของคุณแล้วพระเจ้าอยู่หัว <laughs> มาเลย <laughs> วางทุกอย่างก่อนแผนแต่ละคนนะวางไว้ก่อน <laughs> เอาทีนี้ อาตมาขอเสนอแผนในข้อสองของคุณนักกฎหมายบอกว่าการเลือกก้าเข้าสู่ความชัดเจนการเลือกก้าเข้าสู่ความชัดชัดเจนต่อการมีความเห็นอันเกิดแต่ปัญหาแผ่นดินเกิดแต่ปัญหาแผ่นดินและความขัดแย้งสะสมะปัญหาแผ่นดินและความขัดแย้งสะสมมันสะสมกันมาเยอะจริง กระทั่งได้นำพาประเทศเสียหายตามที่ตนชัดอย่างมีสติซึ่งอาตมาก็มีข้อมูลอย่างนี้อยู่ว่าเดี่มันมีอะไรต่ไรที่สะสมขัดแย้งกันมาในประเทศไทยนี้มันเสียหายมาขัดแย้งกันมาใอาตมาก็ว่าอาตมาเป็นรูปพระพุทธเจ้าก็มีสติอยู่เพื่อหมายจะช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆในลักษณะที่แต่ละฝ่ายแต่ละคนมองเห็นอย่างรอบคอบ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ความห่วงใยในข้อหนึ่งอาตมามิจัยข้อหนึ่งแล้วและอาตมาก็บอกว่าอาตมาข้ามค้นข้อหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่มีความห่วงใยนะจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามและก็ตกลงไปในหลุมของข้อหนึ่งยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอาตมาว่าอาตมาอาตมาชัดเจนอยู่อ้าวทีนี้ก็พูดถึงประเด็นความชัดเจนของอาตมาอาตมาก็จะบอก อาตมาเคยพูดมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ว่าอาตมาเป็นคนที่ทํางาน no planning no project อาตมาเป็นคนไม่มีไม่มีแผนไม่วางแผนไม่มีโครงการอะไรอาตมาทํางานด้วยเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยมาเท่าไหร่แล้วอาตมาก็เป็นไม่เป็นคนที่จะต้องไปสร้างความหวังเอาไว้ โครงการห้าปีไม่แหวางโครงการใหญ่เลยนะสรุปแล้วผลคาดว่าจะได้อดัมาไม่เอาอธมาว่าน่นนะเป็นพวกล้มเหลวมานานแล้วมามากแล้วเนี่ยพวกล้มเหลวเนี่ยล้มเหลวอะไรรู้ไหมพอเขาวางผังเอาไว้นะว่าอันนี้จะต้องได้อย่างนี้ใตออ้อย่างนี้ได้นี้พอครบห้าปีเขาจะได้ผลอย่างงี้นะพอทําไปทําไปมันไม่เป็นตามหวัง มันมีเหตุปัจจัยตัวแปลเยอะไปไปไปมามาเอาละสิไอเป้าหมายที่คาดไว้ว่าจะได้เท่านี้จะได้อย่างนี้มันชัางจะใกล้เวลาแลา้วมันช่างม่โมเมสแล้วตอนนี้ฟ้ามก็เอาหลวมก็เอาหนักเขา้าโกงมันก็เอาเพื่อที่จะได้ตามเป้าหมายนี่คือความล้มเหลวของวิธีคิดแบบนี้มีมาขนาดนี้เยอะ พระอาตมาไม่มองไปไกลเกินไปใครจะบอกว่าอาตมาไม่มีวิสัยทัศน์ไม่เป็นไรไม่ต้องวิสัยทัศน์อาตมามีหรือไม่มีมันก็มีความจริงของคนคนจะมีวิสัยทัศน์เขามีเองและคนเขารู้ว่าวิสัยทัศน์และเขาจะใช้ตามวิสัยทัศน์ไปไโดยระยะยาวทำงานระยะยาวมันไกลเกินไปพระพุทธเจ้าสอนอาตมาไว้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยง ยิ่งทุกวันนี้ตัวแปรนี่ร้ายกาจมากเลยไม่นึกว่ามันจะมาก็ามาไม่นึกมันว่าจะมีตัวอะไรมาแปรมันก็มีโอ้โหมันเก่งชิบหายเลยจริงๆอัตมาล่ ก, กลัวจริงๆเลยคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นที่ตอบ ป, ประเด็นไปเมื่อวานนี่บอกโอ้โห อ, อัตมาไม่สู้หรอกมไม่ฉลาดอัตมาไม่ฉลาดไอฉลาดแบบเล่ห์เหลี่ยมวิธีการอัตมาสู้ไม่ได้จริงๆขอยอมแพ้จริง อาตมากโกงไม่เก่งเลขไม่มีจริงอาตมากโกงไม่เก่งเลขไม่มีเพราะนั้นอาตมาสู้ไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้อาตมาไม่สู้แพ้ไว้แต่ในมุ่งเลยอาตมาจะมาทําคนที่คิดร่วมกันและเห็นร่วมกันและเอาจริงร่วมกันมีเท่าไหร่ทําเท่านั้นแล้วอาตมาก็ทําไปในการสร้างเท่าที่เรามีแรงสร้างเที่เราจริงใจ ไม่มีการ loss และ leak ไม่ loss ไม่ leak ไม่มีเสียหายไม่มีรั่วซึมถ้าไม่เต็มๆต็มไปแล้วเราก็จะนำพาไปได้อย่างแท้จริงเลยเนี่ยอาตมาทำงานางนี้มาอาตมาถึงใช้คำคำว่าเราชนะรายทางที่จริงไม่อยากใช้คาว่าชนะเพราะเราไม่เคยมาเอาแพ้เอาชนะ แต่เราเก้าวหน้ารายทางน่าเราเก้าวหน้ารายทางเราเป็นเช่นนั้นอัตมาทำงานตามพระพุทธเจ้าที่สอนว่าหนึ่งใช้ปัญญาปาสาโทปัญญาปาสาโทหมายความว่าคนมีปัญญาเหมือนอยืนอยู่บนปราสาทที่สูง มองลงมาท็อปวิวเบรส์ไอวิวมองลงมาหาข้างล่าง ก, ก็จะเห็นอะไรชัดข้างล่างนี่ครบถ้ามองตื้นๆอย่างนี้ไปมันจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องมองให้กว้างให้สูงแล้วก็มองลงมาให้ให้ชัดให้ครบเมื่อครบแล้วเราก็เลือกทำงานตามผู้ที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าไม่ทำงาน หรือไม่เข้าไปข้างใดไม่ใช่ไม่ใช่ย้ําอีกหมื่นแสนล้านเที่ยวแต่เขาพูดทีเดียวนะประเดี๋ยวข้างจะยานถ้าคืนพูดหมื่นแสนล้านครั้งแล้วข้างยา น, นอาตมาจะมองอย่างพาระพุทธเจ้าสอนปัญญาป่าสาโถปราศาสตรนี่แหละอยู่บนยอดปราสาทมองลงมาให้เป็นท็อปวิวมา ใ, ให้เห็นครบแล้วประมวล กลุ่มไหนรวมแล้วอะไรอย่างไรเหตุปัจจัยต่างๆนานาแล้วอันนี้แหละใช่ตรงนี้แหละใช่มวล น, นี้แหละใช่เราจะเห็นจริงๆเมื่อเห็นแล้วก็ช่วยกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าเราไม่ข้อข้างใครเป็นกลางคืออยู่เฉยๆไม่ต้องไปทําช่วยใครไม่ใช่ นี่คือความคิดปัญญาสองนิคันเนิคหาร่ังหมายความว่าอันนั้นอันนั้นมโนปัญญาในมโนทีนี้ว่าจีนิคันเหนิคหารหังแปลว่าติเตียนวิจัยวิจารหรือจริงๆก็คือกฎขมตำหนิ กฎขบนิกคันหาเนี่ยแปลว่าตําหนิกดคมพูดให้ให้รู้ว่ามันผิดมันเสียหายท่านแปลง่ายๆว่านิคนนคากคันให้นิฆหระหั่งปักคันให้ปักฆะระหังก็คือตําหนิคนชั่วยกย่องคนดีท่านแปลง่ายๆคือข่มคนชั่วยกคนดีเพราะงั้นแม้พูดก็ต้องพูดข่มคนชั่ว ว่าคนชั่วแล้วก็ยกคนดีสรนเสริญคนดีท่านไม่ได้ให้ปิดปากอย่าว่าใครไม่เคยคําสอนพระเจ้าไม่ได้ให้ปิดปากไม่ให้ว่าใครอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีนี่อ้างคําสอนพระพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นทางมนโนก็ต้องดูให้ท้วนรอบว่าฝ่าไหนดีฝ่ายไหนควรเข้าข้างฝ่ายไหนไม่ควรเข้าข้าง วาจา ก, ก็ต้องใช้วาจาให้ถูกต้องต้องข่มคนชั่วยกคนดีทีนี้กรรมทั้งหมดเลยทีนี้หนึ่งมโนกรรมสองวจีกรรมสามกรรมมันตะกรรมมันตะคือรวมหมดเลยทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเรียกว่ารวมกรรมหมดเลยเอาทั้งตัวเลยเข้าข้างคนดีไปทั้งตัวเลยตอนี้ จึงท่านก็ตรัสว่าจงอยู่กับหมู่บัณฑิตอย่าไปอยู่กับหมู่คนพานนี่คือกรรมอันที่สามอ่าเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ใครบอกว่าความเป็นกลางก็คืออยู่เฉยเฉยไม่เข้าข้างคนดีอันนั้นพระพุทธเจ้าคนละองค์อัตมาอ่า เนี <N> ่ยจะมาพูดอิงอิงหลักอิงทำนะอิงหลักฐานองค์พระเจ้าคําสอนพระเจ้านะอาตมาไม่ได้พูดเอาเอง <c oughs> <c oughs> นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วอาตมาก็เคยขอซ้ําอีกนิดหนึ่งนะขอซ้ําเคยพูดย้ำซ้ํำหลายทีและแผ่นเสียงส่งร้องว่าคนที่เข้าใจว่าความเป็นกลางนี่นะยังเข้าใจไม่ถูกต้องอยู่มันมีอยู่สามอย่าง นคนที่เข้าใจว่าความเป็นกลางเนี่ยนไม่เข้าข้างใครเป็นกลางต้องอยู่เฉยๆไม่เข้าข้างใครประเภทที่หนึ่งคือมันไม่รู้เลยว่าใครดีใครชั่วเกือมันขอภัยแล้วมันโง่อะมันไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วเออคนนี้ต้องเห็นใจมันล่ะมันจะไปเข้าข้างใครได้ก็มันไม่รู้อะ ไปเข้าข้างคนก็ผิดดิมันไม่รู้ว่าใครดีใครชัว่วอย่ามาเดี๋ยวถูกครอบงำทางความคิดด้วยเอยเองอยู่เฉยๆดีแล้วนะเองไม่รู้เรื่องเองโง่อ่าจริงนาะนี่ประเภทที่หนึ่งคือไม่ไม่รู้นี่ว่าใครผิดใครดกใครถูกมันไม่รู้มันไม่รู้ก็เฉยๆเป็นกลางอย่าไปไปเครื่องมือใครก็ดีละวสองรู้มีปัญญาเข้าใจแต่กลัวว่า กลัวอะไรรู้ไหมกลัวจะเสียลาบยศสรรเสริญเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยอ่ากลัวจะเสียมาไปเข่าขาคนานั้นเข่าขาดคนนี้นมันรบ ก, กันไปเหรรู้ว่าใครดีใครเจ้ารู้มันตีกันตายไปเนี้ยมันก็ตีกันม ก, กิจนไปเองอ่ะเห็นแก่ตัวมากคนนี้เห็นแก่ตัวมากอ่ากลัวจะเสียยศ จะเสียอำนาจก็จะเสียตำแหนง่งก็จะเสียลาบก็จะเสียโลกธรรมก็จะเสียสันเสริญก็จะเสียศักดิ์ศรีก็จะเสียอะไรก็ไม่รู้เกียรติยศอะไรก็แล้วแต่เลื <c oughs> ่ท <c oughs> ั้งนั้นแหละนี่ก็คือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่บางทีต้องยอมเข้าข้างคนผิดแน่มันน่าไมมันน่าไม่ไอ้คนคนนี้อะฮะ โอ้โหเออจะจะเอาค้างคนไหนก็วจะเสียแล้วก็ไม่ค่าคางคนใดอย่งพอทำเนาอ่ะไอ้นี่มันทนไม่ได้ไปเรียอก็กลัวมันมีอํานาจใหญ่ว่ะเดี๋ยวมันอํานาจเดี๋ยมันเลื่อนเดี๋ยวมันไล่ออกเดี๋ยวมันปลดตําแหน่งเดี๋ยวมันย้ายเดี๋ยวมันโอ้โหอัตมาและแมงคนพันนี้อ่าจริงจริงนะ นี่คือประเภทที่สองที่ไม่เข้าข้างไม่เข้าข้างคนดีรู้ว่าคนดีคือคนถูกคืออะไรแตกกิเลส ข, ของตัวเองตกเป็นทาตกิเลสตัวเองคนนี้ก็ขอร้องสู้กับกิเลสหน่อยนะเอาชนะกิเลสในตัวเองให้ได้หน่อยนะให้มันตายด้ยสักชาติหนึ่งได้ไหมเอาชนะกิเลสได้อ่ะคุณไม่ตรงนรกหรอกคุณเอาชนะกิเลสได้อ่ะแต่คุณแพ้กิเลสคุณตรงนรกนะ อาจริงอาจจะมาไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมคุณแพ้กิเลสคุณตรงนรกนะเพราะงั้นประเภทที่สองนี่เยอะเยอะมากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเในตลาดสังคมไหมโอ้ต่แต่สูงมาจะถึงต่ำเนาะ เยอะเลยตั้งแต่ระชันขั้นบนขั้นกลางชั้นล่างเยอะเลยกลัวจะเสียลาภเสียยศเสียอะไ ร, ะะไรต่างๆทีนี้ประเภทที่สามประเภทที่สามนี่หน้าองศาไม่มากเท่าไหร่หรอกประเภทมิจฉาทิฐิเห็นผิดผิดอะไรเข้าใจว่าความเป็นกลางต้องอยู่เฉยๆว่าอาจจะมีปัญญามีปัญญารู้นะว่าใครดีใครชั่ว แต่เข้าใจผิดเลยยึดเลยว่าเฮ้ยเข้าข้างใครไม่ได้ต้องอยู่เฉยๆอยู่ ก, กลางกลงนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้ใครเสียบใครสอนมาเี่ยวเปที่สามเนี่ยจะทําทก็ทําได้นะก็ไม่กลัวเสียราบเสียยศเสียสันเสริญอะไรหรอกแต่เข้าใจผิดเนะี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นกลางต้องไม่เข้าข้างคนไหนๆเป็นกลางต้องอยู่เฉยๆคนดีก็ เออเองทำดีไปคนชั่วเอชั่วไปและคุณคิดดูสิขอถามในสังคมทุกวันนี้นะคิดดีๆเอาขอให้คิดให้เวลาห้าวินาทีคิดถามว่าในสังคมทุกวันนี้คนชั่วมากหรือคนดีมากเออเออคนชั่วมากแลวดีมากมันมีคนชั่วมากในสังคมทุกวันนี้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเมื่อคนชั่วมันมากคุณเองคุณรู้ว่าอะไรมันควรจะมาถ่วงดุลอะไรถ้าคนยิ่งมีทุนทางสังคมเป็นคนที่เออถ้าบอกว่าเราแสดงออกว่าเราเข้าข้างคนนี้นะมีน้ําหนักเยอะเลยใช่ไหมเราต้องการนะต้องการนะจ้ะ คนที่มีทุนทางสังคมเนี่ยแล้วไปมีความเห็นผิดว่าคนเป็นกลางไม่เข้าข้างคนไหนคนดีคนชั่วไม่เข้าข้างคนดีมีน้อยด้วยบอกแล้วเมื่อกี้ก็ถามมาแล้วคนชั่วหรือคนมันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มาเข้าข้างคนดีไม่มาชั่วคนดีใจดำอมหิต ไม่ใช่ดำธรรมดาใจดำอำมหิตปล่อยให้คนดีแหน่อ้างว้างโดดเดียวแล้วก็ลำบากลำบนเพราะว่าคนชั่วมันเยอะแล้วมันปู่ยี่ปู่ยำนะแล้วก็ไม่ช่วยปล่อยไปงั้นเพราะเห็นผิดนะว่าความเป็นกลางต้องไม่เข้าข้างใครรู้ทั้งรู้ฉลาดนะที่อาตมาพูดอีกคนฉลาดอย่างนี้พูดเข้าใจ เพราะงั้นคนยิ่งน้อยยิ่งคนดียิ่งน้อยยิ่งคนสะอาดคนจริงใจคนเห็นแก่บ้านแก่เมืองคนเสียสละจริงๆเนี่ยมันยิ่งน้อยอ อ, ออกมาช่วยกันหน่อยอ้าว ล, ะละ่ะเดี๋ยวคอจะแตก <c oughs> อ่าแตมาพูดไปบรรยายไปคนเดียวนี่เกือบจะครึ่งเวลาแล้วเดี๋ยวจะได้ตอบประเดน็นประเดน็นมาแล้วเรื่อยๆเดียวตอบประเดน็นก็จะสนุกอีกเหมือนกันอตอบประเดน็นนี่จะสนุกกว่าบรรยายสาระเพราะบรรยายสาระมันเป็นซีรีส์ใช่ไหมมันเป็นเรื่องติดต่อกันบางทีมันจะหนักบางทีมันจะลึกแต่ถ้าตอบประเด็นนี่เดี๋ยวตอบประเด็นไปปั๊บจบประเดน็นไปจบประเดน็นไปจบประเดน็นตีหัวเข้าบ้านตีหัวเข้าบ้านตีหัวเข้าบ้านๆๆๆ อตอนนี้ทุ่ม29นาทีนะอัตามาจะหมดเวลา2ทุ่ม15จหมาตามเวลาที่อัตามาใช้ยอยู่2ทุ่ม15มันก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยยังเหลืออยู่45 46บวก30 16บวก30เหลืออยู่46นาทีเลยเวลาผู้คนเดียวไปหน่อยนึงแล้วอ้าละ ก็คิดว่าคงพอประเด็นนะเพราอเนั้นอาตมาว่าตอบของคุณนักกฎหมายนิดนึงว่าอาตมาเองอาตมาก้าวเข้ามาสู่ความชัดเจนของรายละเอียดอยู่อาตมาไม่ได้ไม่ได้เผินอาตมาใช้สับริษัรรมเจ็ประการใช้มหาประเทศจริงๆและอาตมาขอยืนยันน้ว่าอาตมาเข้าใจคําว่าสับริษัมเจ็ประการเนี่ยที่มีอัธมันยุตาอัธมันยุตา มัตตัญญูตามัตัญญตาและก็กาลัญญุตาปาริสัญญุตาปกครรประโลมัญญุตาหาเจอันเนี่ยอาจะมาใช้จริงๆได้ประมาณมัตัญญูตาอยู่ตลอดเวลาและใช้มหาประเทศด้วยนะขอผ่านในรายละเอียดของความหมายของธรรมะนะพยายามดูว่ามันเหมาะมันควรไหมแล้วก็ทำตามควรจริงๆโดยไม่ได้ไปขัดแยง้งกับธรรมวินยัย เพราะทิอัตมาทำในอามาโตะจริงๆว่าพระพุทธเจ้าห้ามหรือเปล่าพระพุทธเจ้าอนุญาตหรือเปล่าเมื่อไม่มีคําห้ามของพระพุทธเจ้าและไม่มีคําอนุญาตของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องใช้ตามสมัยหรือยุคเหตุปัจจัยที่มียุคนี้ไม่ใช่ยุคของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเป็นยุคประชาธิปไตยด้วยไม่ใช่ยุคสมุทรนาญาสิทธิราชด้วย เพราะฉะนั้นคนแม่แต่ยุคแค่นี้เนี่ยเขาก็เข้าใจยากและเขาก็ไม่รู้และสําคัญก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าในยอดนักประชาธิปไตยยอดที่ไม่มีการกดขี่ข่มเหงไม่มีเลยปลดความเป็นทาสปลดความเป็นวันนาปลดความเป็นศักรีนาปลดความเป็นไพร่สุดยอดเลยซึ่งมันทันสมัยมากที่สุดเลย ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่เก่าสมัยไม่เสมอเู้จะเก่าสมัยไหมไม่เสมอพระพุทธเจ้าเนี่เอาละอันจมาพักแต่จ ะ, จะพูดคนเดียวนะอาทีนี้ก็ขอตอบประเด็นอขอบอกเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้จะส่งประเด็นเข้ามาในรายการนี้ขณะนี้ได้จากข้างนอก อาตมามีคนบอกว่าขอให้ทางไงนนี่ส่งประเด็นได้ไหมอาตมาบอกว่าไม่ดีอ่ะเพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวส่งมาอาตมาตอบไม่บาดไหวแล้วอาตมาก็ว่าถ้าจะส่งให้าทางนี้ส่งประเด็นอาตมาว่ามันจะมีแนวเดียวกันกลัวจะเป็นแนวเดียวกันามากเพราะมันนั่งอยู่ตรงนี้มันกําลังมี มีความเห็นเห็นร่วมไงมันมีความเห็นร่วมมันก็จะออกมาตรงกันหมดมันจะไม่หลากหลายเมื่อต่างคนต่างอยู่บ้านใครบ้านมันใช่ไหมมันก็รู้สึกต่างคนรู้สึกมันไม่มีอะไรมากดดันไม่มีอะไรมาครอบงามไม่มีอะไรมาเป็นมันมันจะต่างมันจะหลากหลายถ้าให้เขียนที่นี่แล้วมันเยอะด้วยอาตมาก็ตอบไม่ไหวแน่ทุกที่ถ้าบอกให้ตอบประเด็นเขียนจากที่นี่นราอยูใส่ตะกร้าไว้นี่ตอบไม่เคยหมดหรอกมันเยอะก็เลยขอเอานี้ก็นแล้วกันก็พอพอพอได้นะ อาตกลงอันจะมาบอกเบอร์โทรศัพท์ทางบ้านอีกทีหนึ่งเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0885859115กับ0885859116สองหมายเลขด้วยกันอ้าวเอาละบอกครั้งเดียวตอบเลยเจ้าแรกคนนี้เป็นแฟนนานุแฟนของเป็นแฟนคลับมือเหนียวพนเรือตรีมิน บอกมาว่าธรรมะและธรรมชาติสามารถเสริมสร้างความสุขได้ฉันใดเทคโนโลยีและทุกอันแรกนี่บอกเทคโนโลยีอันหลังนี่บอกทุกโนโลยี <laughs> เล่นคําเทคโนโลยีและทุกโนโลยีก็สามารถเสริมสร้างความทุกขได้ฉันนั้นเหมือนกันโอ ที่แสดงว่าปเป็นเรมไม่เจ้าเทคโนโลยีอา้อาวอา้ผ่านไปจากเชียงรายค่ะทำอย่างไรจึงจะเดินโพดชงให้มีสติเท่าทันกิเลสได้ตลอดคะตอบฟังดีๆนะถามว่าทำอย่างไรจึงจะเดินโพดชงให้มีสติเท่าทันกิเลสได้ค่ะได้ค่ะตอบเริ่มเดินสิ ทำอย่างไรก็เริ่มเดินด้วสิคุณยังไม่เริ่มเดินเลยมันก็ไม่มีทางที่จะมีสติเท่าทันเมื่อคุณเริ่มเดินก็คือหนึ่งจะต้องรู้สติคืออะไรและคุณก็เริ่มรู้ตัวสตินี่ปแปล ว, ว่ารู้ตัวอยู่แล้วรู้ตัวว่านี่คือสตินี่คือสติคือรู้ตัวเสมอเลยตื่นอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอว่าตอนนี้กำลังตากระทบลูกหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรส กำลังเป็นอยู่ตื่ น, นอยู่เนี่ยตอนนี้ตากระทบอะไรหูกระทบอะไรจมูกกระทบอะไรสองเมื่อกระทบแล้วมีธรรมวิจัยสำโพธชงเมื่อกี้ไม่ได้อธิบายในโะพธชงเจ็ตอนนี้อธิบายแล้วเวลานี้มันมีเหตุปัจจัยให้อธิบายแล้วสติไว้ธรรมวิจัยอันที่สองของโพชชงมีปีเจ็ดธรรมวิจัยก็คือเมื่อคุณกระทบแล้วมันก็เกิดองค์รวมขึ้นมารับรู้ คุณก็วิจัยธรรมะนะมันจะเกิดธรรมะเลยเป็นกุศลหรืออกุศลธรรมก็แล้วแต่คุณวิจัยเข้าไปเลยว่าไอ้ธรรมะอย่างนี้มันกุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรเห็นรูปเห็นคนกําลังทําอย่างนี้เห็นกลุ่มหมู่นี้กําลังชุมนุมกันอย่างนี้นี่อะไรวิจัยในใจเลยตามสติปัญญาของคุณนะเข้ามาทําไมเข้ามาทําอะไรเขาต้องการอะไรดีหรือไม่ดีดีเราควรร่วมไหม หรือไม่ควรร่วมอย่างนี้เป็นต้นคุณก็วิจัยวิจัยสรุปก็คือวิจัยเข้าไปเลยสัมผัสอะไรแล้ววิจัยเลยย่อยเข้าไปจกนกระทั่งถึงจเจอกองเงินสมมติว่าเจอกองเงินมันตกอยู่เฮ้ยกองเงินของใครวะกิเลสถ้ามีกิเลสมันบอกเอาไว้เอาไว้เอาไว้แล้วม่ต้องบอกใครไว้ใช่มถามตัวเองว่า เฮ้เล่เอเอาไว้เอาไว้ไม่เไม่ต้องบอกใครไว้เนี่ยมันดีหรือชั่วเนี่ยวิจัยยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆเอไม่ดีนะเราทํางั้นเอของคนตกนะไม่ใช่ของเราเราควรจะต้องไปหาเจ้าของดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะสามันสํานึกก่อนไม่ต้องไปเอาลึกอะไรหรอกมีสามันสํานึกมีสติมีธรรมวิจัยแล้ววิริยะอันที่สามของพโพุทธงนิวิริยะสามันนี่แหละเป็นตัวหลัก สติทำรรมวิจัยและวิริยะแล้วก็พยายามเพียนทำให้ได้อย่างนี้วิจัยหนึ่งดีสองชั่วแล้วจงทำดีวิจัยละความชั่วทำแต่ดีละความชั่วทำแต่ดีตามโอวาทปาติโมแล้วคุณก็ค่อยลึกเข้าไปลึกเข้าไปหาจิตจิตของคุณก็จะลึกขึ้นเรื่อยลึกขึ้นเรื่อยอย่างน้อยคุณก็ได้ทำดีพอคุณมีปัญญามีสติอ่านจิตใจออกอีกทีนี้ คุณก็จะรู้ว่าเออกิเลสนี่ว่าขี้โลภนี่ว่าจะเอาเงินเขาโดยที่มันไม่ใช่ของของเราผิดศีลก็าสองนี่ว่าคุณจะค่อยๆเข้าใจและคุณก็ค่อยๆจะรู้ว่าโอ้จิตเรามันขี้โลภโลภเป็นอย่างนี้เองเพราะงั้นเราไม่โลภนี่ดีแล้วดีแล้วความโลภมันเลวและมันก็ไม่เที่ยงรอได้มามันก็อะไรกันอะไรเท่าไหร่หกันเชี่ยวเราต้องพึ่งตนเองอย่าไปเที่ยงใอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของของเราน้ําพักน้ําแรงไม่ใช่ของเราอะไรต่างๆหมดนี้มันจะค่อยๆฉลาดขึ้น ใจของคุณก็จะมีทั้งปัญญาและใจของคุณก็จะรู้จักจิตใจของตัวเองดีขึ้นดีขึ้นทำไปมันก็จะเกิดทำได้ได้ผลขึ้นหนึ่งคุณทำได้ดีรู้ดีและคุณก็รู้ทำดีรู้ชั่วคุณก็ไม่ทำชั่วคุณทำได้ทีไรคุณก็จะดีใจเรียกว่าปิติสัมโพชงคุณจะภาคภูมิใจตนเองและถ้าไปถึงปรมา คุณทําให้กิเลสของคุณลดได้ลดได้แม้จะเปวิคัมพนาปะหารแม้จะกดข่มกิเลสไว้เฉยเฉมันก็เป็นการดับกิเลสไว้ชั่วคราวถ้ายิ่งเกิดปัญญาวิปัสนาญาณมกุโโหเรานี่ไปเป็นทาตโลภโกรดหลงเลยไอ้โลภโกรดหลงมันหลอกคนมาไม่รู้กี่ศตวรรษไม่รู้กี่สหัสวรรษไม่รู้กี่ล้านลานชาติแล้วคุณจะเข้าใจไปเรื่อย คุณก็จะลดกิเลสไปจริงๆว่าโอ้อย่าทำเลยกิเลสยังไงเราเพิ่งตนเองรอดปัดสัตทิสัมโพชฌงข้อที่ห้าจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นข้อที่หสมาธิสัมโพชฌงจิตของคุณสั่งสมอย่างนี้แหละสั่งสมคุณธรรมที่จิตละโลภโกรธหลงนี่แหละคือการสั่งสมสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นจิตละกิเลสลงไปได้เรื่อยๆสั่งสมตั้งมั่นตกผลึกไปเรื่อยๆ สูงสุดแห่งสมาธิหรือสูงสุดแห่งฌานคืออุเบกขาสัมโพธิชงตัวปลายคือจิตหมดกิเลสเลยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ขวาไม่ซ้ายไม่ดีไม่ชั่วไม่อะไรทั้งนั้นเลยอันนี้ลึกซึ้งอาตมาขอผ่านเป็นอุเบกขาเนคคัมมะสิตาอุเบกขาเวทนาอันนี้ศึกษาประมัศนแล้วเดี๋ยวเวลาถึงเวลาอาตมาจะอธิบายสำรับวันนี้ขอผ่านนะสรุปแล้ว คนจะทำยังไงจะเดินสัมโพชฌงค์ให้มีสติเท่าทันกิเลสทำไปทีละขั้นเริ่มต้นมีสติให้ได้ก่อนแล้วก็วิจัยทำแล้วก็ภาคเปียนสามข้อนี้แหละปิติปสัสสติสมาธิอุเบคาสี่ข้อหลังจะตามมาตามลำดับต่อมาจากคนก่อกวนทนอยู่ไม่ได้โมโหนามแฝงคนนี้คนก่อกวนทนอยู่ไม่ได้ มาบอกว่าไอ้ตัวที่อยู่หน้าจอขนาดนี้นะ่ะใช่ไอ้ตัวที่เอาถุงขยะคลุมหัวเมื่อครั้งถูกแกดน้ำตาตอนชุมนุมเสียอายใช่ไหมใช่เขาอยากรู้เท่านี้นคนก่อลวานที่ทนอยู่ไม่ได้บอกว่าไอ้ตัวที่อยู่หน้าจอขนาดนี้นะ่ะใช่ไอ้ตัวที่เอาถุงขยะ ไม่หยิถุงขยะถุงพลาสติกคนเอามาให้อัตมาเนะ่ยเป็นคนของอัตมาเขาไม่เอาถุงขยะไม่ให้อัตมาสวมหัวหรอกอคนที่แดกดันคนเนะ่ยเป็นคนใจไม่ดีแทนที่จะบอกว่าไอ้ถุงพลาสติกที่คลุมหัวเนะี่ยจะมองไปในแง่ดีว่ามันคงไม่ใช่ถุงขยะเราคงเป็นถุงดีๆคลุมหรอกนะไอ้คนที่จะเอาถุงขยะคลุมหัวเนี่ยก็คงเป็นคนอยากก่างพวกคุณ น, นี่แหละนะ อาตมาก็ไม่รู้นะอาตมาไม่รู้เพราะพวกอาตมาไม่ทำนะเอาทุงขยามาคุมหัวนี่ไม่ทำนะพอมีสติสัปพัญญาปัญญาพอสมควรก็เลยไม่ทําแต่พวกคุณจะทําก็อาตมาก็ไม่รู้นะแล้วถามว่าใช่หรือเปล่าว่าเอาทุงขยะคุมหัวอาตมาก็ตอบว่าอาตมาเข้าใจที่ขุนประชดอาตมาแดงดันอตมาว่าใช่ทุงขยะคุมหัวแต่บอกต่อตรงๆว่า คุณผิดไปอย่างหนึ่งว่าแค่ไอ้ถุงขยะนี่คุณก็มองไม่ออกว่าเป็นถุงขยะหรือถุงพลาสติกธรรมดานะและแค่นี้คุณมองไม่ออกอาตมาว่าปัญญาก็คงจะไม่ค่อยยาวไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะไรก็เลยก็เลยพูดไปตามปัญญาของตนเองอ่ะนะอ่าถูกต้องเอาเอาถุงพลาสติกคุมไม่ใช่ถุงขยะแก้ความเข้าใจผิดนิดหน่อย ที่ตอนที่ถูกแกนน้ําตาตอนทุมมุงเสียอ้ายถูกต้องอ้าวมีตอบประเด็นของคุณคนนี้นะต่อมาจากเจ็ดแปดสองสองบอกว่าการคิดในใจของคนเราเนี่ยใช่วจีสังขารไหมโอ้คนนี้ศึกษาธรรมะเอาต้องฟังตั้งใจฟังหน่อยนึงอาจจะยากที่หนึง่งธรรมาขอตอบไม่ไม่ยาวหรอกเพราะมันจะยากมันลึกคําว่าวจจีสังขารเนี่ยเป็นความคิดในใจเท่านั้น คนที่ถามมาเนี่ยการคิดในใจของคนเราใช่วจีสังขารไหมคําว่าวัจีสังขารนี่ไม่ใช่วจีกรรมฟังดีๆนะวัจีกรรมคือคําพูดพี่พูดออกมาแล้วเป็นคําพูดเรียกว่าวัจีกรรมโวยการปรุงแต่งเป็นวัจีอยู่ข้างในยังเป็นจิตสังขารอยู่ในจิตสังขารอยู่ทั้งในใจเท่านั้นเป็นการคิดอยู่ในใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณคิดอยู่ในใจแต่ยังไม่พูดออกมาแต่ไม่เป็นคําพูดแล้ว แต่คนเราไม่ค่อยจะศึกษาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีอัตโนมัติแล้วมันพูดออกมาเลยนี่คนไทยก็พูดภาษาไทยชะช็อตช็อช็อช็มันออกมาจากกรีกก่อนมันเป็นคําพูดก่อนถ้าคุณเป็นคนไทยคุณก็พูดช็อตช็ออกมาเป็นคนไทยเพราะมันปลูกปั๊บเป็นภาษีสังกาษแล้วคุณก็พูดมาได้แต่ถ้าคนเป็นคนไทยแต่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษมันอาจจะมาเนี่ยนะคิดเป็นภาษาอังกฤษโอโ้ต้องนานเลยนะ ก่านจะริบใช่หรือเปล่าว่าก่อนที่พูดออกมาแต่ภาษาไทยมัต้องยั้งเลยพุทธพุทธออกมาได้แต่มันมาจากใจก่อนมันเป็นวจีสังขารในใจก่อนเพราะฉะนั้น ว, ว, วิธีปฏิบัติของพระเจ้านี่จะต้องเข้าใจวจีสังขารคนที่อ่านวจีสังขารตนเองได้หรือกรองจิตตัวเองอาจะมาใช้คําว่ากรองจิตตัวเองในสังกัปปะเจตนนี่นะมันมีตากะวิตกะสังกัปปะอัปนาพยัปนาเจตโสปนิโรปนา วจีสังขารตัวที่เจมันจะเกิดการไตรตรองและก็การล้มล้างกิเลสในตัศกาลวิตกกสังกปะนี่มันจะมีกิเลสร่วมอยู่เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าให้ตรวจสอบตัวนี้ให้ทันเมื่อมันเริ่มดํำริจิตมีกิเลสเข้าร่วมจับกิเลสให้ทันกําจัดกิเลสให้ได้เรียกว่าตัศกาลวิตกกสังกปะจับกิเลสได้กําจัดกิเลสได้เป็นจิตสมมาสังกปะเมื่อไม่มีกิเลสร่วมมันก็มาสังขาร โดยมีแกนอัปปนาพยปนาเจตสโภเป็นโลปนาไอแกนสามตัวนี้อัปปนาพย ป, ปนาเจตสโภป็นโลปนาเนี่ปปนยปป เ, ปเป็นแกนของพลังงานทางจิตที่เรียกว่าเป็นแกนพลังงานเอนเออร์ส่วนในตากาวิติกะสังคปาเนี่ยเป็นแกนของทางคลาตติกเอนเออหรือดินามิกอันนี้เป็นสเตติกทางด้านอัปปนาพย ป, ปนาเป็นพวกสมาธิอันนี้เพื่อผู้ปัญญา การวิจิกาสักการปาริภพปัญญาอันนี้เป็นสมาธิร่วมกันทํางานเมื่อปัญญาล้างกิเลสได้ทํางานโดยมีจิตสมาธิเป็นตัวตั้งมั่นช่วยงานทําเหมือนแกนบวกแกนลบบวกเหมือนกับสเตติกหรือพลังงานสัตว์ส่วนปัญญาเนะี่ยเหมือนพลังงานเจรณนะหรือพลังงานจนทํางานปุ๊บออกมาเป็นวิจีสังขารแล้วออกไปเป็นวิจีกรรมกายกรรมอาชีพข้างหน้าเลยนี่เป็นตัวหลักของวิธีปฏิบัติธรรมของขุนเจ้า สรุปแล้วว่าจีสังขารเป็นความคิดในใจใช่ไหมถูกต้องจากสุราชขอท่านช่วยเทศสอนคนพวกมักใหญ่ไฟสูงให้ได้รู้สำนึกซะบ้างขออภัยเธออาตมาตัวเล็กตัวน้อยอาตมามี่บางอาจไปสอนพวกที่มักใหญ่ไฟสูงหรอกเพราะอาตมาน่ยเป็นคนสอนคนมามักน้อย อาตมาไม่บังอาจไปสอนคนมักใหญ่ไปสูงอ า, สอาตมาสอนคนมักน้อยอาตมาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทําใดวินยันนปปามมานยใ ด, ยดเป็นไปเพื่อความมักน้อยมักน้อยมักเล็กนี่เป็นเป็นของพระพุทธเจ้าทำใดวินัยใดทาใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักใหญ่มา ก, มากๆทํานั้นวินยัยนั้นไม่ใช่ของเราแตถาคตคุณไปอาราธนาคนสอนคนมักใหญ่ไปสูงผิดคนแ ล, ล้วล่ะต้องไปอาราธนาคนอื่นสอนคนมักใหญ่ไปสูง น่าจตมาก็สอนคนมากน้อยสันโดดเท่า น, นั้นนะนี่ไม่ใช่ผู้เล่นลิ้นร่างใครที่สนใจที่จะมามากน้อยสันโดดเชิญแต่ใครที่มากใหญ่ไฟสูงไปาจากนครสวรรค์ผมเห็นการรวมตัวกันของนักเรียนอาชีวะจากหลายสถาบันมาขึ้นเวทีกองทัพประชาชน จึงขอเสนอให้เสนาธิการเดินสายให้ความรู้ตามสถาบันเหล่านี้เพื่อปลูกฝังความงการให้รับประเทศชาติบ้านเมืองจะดีไหมครับแต่ทํายากว่ามันเยอะให้แต่ละสถาบันมาที่นี่ดีกว่าเพราะที่นี่เป็นที่กลางกําลังรวมทํางานอยู่เพราะงั้นแบ่งกันมามาพร้อมกันก็ได้แบ่งกันมาทีละหน่วยสอหน่วยทีละแห่งทีละสถาบันทีละสถาบันก็ได้เชิญ ยินดีต้อนรับนะจากคนกทมขอเสนอแน่หน่อยนะครับผมว่าแม้ท่านจะพูดบนเวทีแล้วได้รับการตอบรับมากคนดูคึกคลื้นมีดนตรีขึ้นมาสลับสองสามเพลงดูคึกคลื้นคึกขักแต่เชื่อเถอะว่ามวลไม่เพิ่มหรอครับ no problem I will try <laughs> เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาเลยนะว่าเอ้าเดี๋ยวอาจจะเขาให้จบก่อนออดูคลึกคลื่นมีดนตรีขึ้นมาสลับสองสามเพลงดูคลึกคลื่นคึกคักแต่เชื่อเธอว่ามวลไม่เพิ่มหรอกครับ ผมไม่ได้ขา้ขามแย้งอะไรกับท่านหรอกนะครับผมก็เป็นคนผ่านโลกมาเยอะคนไทยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววอย่าไปว่าอาจะมาถามคนเดียวก็พอคุณไม่ต้องไปว่าหรอกอาจะมาถามว่าผ่านโลกมาเยอะและได้โรคอะไรมาบ้าง <c oughs> <c oughs> อาจะมาครัวผ่านโรคมาเยอะแล้วจะได้โรคอะไรมาบ้างอนนะหลายโรคมันไม่ดีน ะ, อะไอ้โรคอะไรไม่หนักเท่าโรคที่มีโรคติดลาบติดยศติดสันเสริญติดกาวเนี่ยโอ้โหยากหรือโดยเฉพาะติดอัตตาเนี่ยโอ้โอยาโรคพวกนี้ยากมากอเอาต่อคนไทยเนะี่ยเขารับไม่ได้หรอกกับการที่พระจะมานำหน้าม็บ พระควรจะทำบทบาทที่ไม่ใช่เป็นผู้เดินด น, ด น, นำในการชุมนุมครับผมว่าน่าจะลดบทบาทลงมาน่าจะเทศทุกวันหรอกครับไม่น่าจะเทศทุกวันหรอกนะครับอ้าวตกลงอาตมาขอโหวตเสียงอ้โวโาวเราจ่าผู้ดานีว่าอาตมาคนเทศทุกวันหรือเปล่า อาตกลงอาตมาก็ขอขัดใจคุณคนคนกรทมนิดหนึ่งว่าคนที่ฟังอาตมาไม่ยอมให้อาตมาลดการเทศตลอดทุกวันเพราะงั้นอาตมาก็เลยจะต้องเทศทุกวันก็ขอขัดใจคุณหน่อยหนึ่งนะเพราะงั้นที่คุณเห็นความแขวนของคุณนะอาตมาเคารพนะเคารพความเห็นของคุณ เพราะฉะนนความเห็นของคุณคุณก็เป็นความเห็นของคุณไม่มีปัญหาคนมีความเห็นต่างกันได้อตมาไม่ได้ตั้งใจอย่างที่คุณตั้งใจเนี่ยคุณบอกว่าคุณคุณพูดมาในบอกความตั้งใจของคุณมานัเนี่ยคุณบอกว่านาอ่าบอกว่าคนไทยรับไม่ได้หรอกกับการที่พระจะมันนาหน้ามอบอตมาเขาขอตอบคุณนิดนึงว่า อาตมาพูดแต่ต้นมาจต่ไหนแต่ไรแล้วว่าแม้อาตมาจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่อาตมาพอรู้ว่าความหมายของคําว่าม็อบเนี่ยกับคําที่อาตมาพยายามพาทำว่าอาตมาไม่ใช้นะม็อบอาตมาใช้ประท้วงใช้ประท้หรือใช้เดโมแครตก็ยังได้ดีกว่าอะไรนี่เป็นต้นอาตมาไม่ได้เคยใช้และไม่พยายามใช้โดยคําว่าม็อบ เพราะฉะนั้นที่คนพูดนะว่าเขารับไม่ได้หรอกแต่พระจะมานำหน้าม็อบคุณเข้าใจะให้ถูกเสียด้วยว่าอาตมาไม่เคยเป็นนำหน้าม็อบอาตมานำหน้าปรทะท้วงขอพระอาตมาแม่ที่บารแล้วว่าม็อบมันหมายความว่าอะไราให้คุณคนตอ่อมาไปค้นคว้าวเองมันแตกต่างอย่าปรเทสวหรือไม่โปรเทสก็ดิมนสเตรตก็ได้อาตมาดิมนสเตรตอะไร อาตมาพาพวกเรามาสาธิตสาธิตการเมืองใหม่มาชุมนุมกันประชาธิปไตยคือการชุมนุมประท้วงเพระเาะฉะนั้นมาดิมอสเตร์ ก, การชุมนุมประท้วงอาตมาไม่ได้วักมักใหญ่ไฟโตอะไรอาตมามาพาการทําำทำก า, การเมืองให้คนไทยเข้าใจการเมืองประชาธิปไตยคือคนจะต้องมาช่วยกันชุมนุมแสดงคะแนนเสียง เหตุอะไรเรามาชุมนุมด้วยจุดหมายอะไรความต้องการอะไรและมีสิทธิ์หรือไม่ทำถูกต้องตามนิติรัฐนิติธรรมอย่างไรอาตมาพามาทำเพราะฉะนั้นอันนี้อาตมาคิดว่าอาตมาทำเช่นนี้เนี่ยอาตมามานําหน้าม็บอาตมาก็ไม่ได้นำหน้าตามาให้พลเอกปรีชานำ อตาตมาให้คณะที่มาก่อนนั้นน่ะมานำอตาตมามาตามแค่นี้คุณก็ยกฐานะอตาตมาผิดไปแล้วยกฐานะอตาตมาผิดไปแล้วและอีกอันหนึ่งคุณบอกว่าพระควรจะทำบทบาทที่ไม่ใช่เป็นผู้เดินนำในการชุมนุมครับอตาตมาก็ เดินนำชุมนุมก็ไม่เสียหลายถ้าอาตมาจะเดินอย่างที่เคยพาเดินแม้แต่ตอนที่เสอ้ายอาตมาเดินนำอาตมานำหน้าเลยนะดเดินอย่างสงบเรียบร้อยงามไหมไเรียบร้อยไหมไเกเรไหมพาเข้าไปเผาบ้านเผาเมืองไหมไเราถูกเขารังแกไหม เราไม่ได้มาทำ้ายเราไม่ได้มารวนเราไม่ได้เรามาทำความเรียบร้อยนะจ๊ะต้องดูรายละเอียดในพฤติกรรมของคนแม้แต่ที่สุดเจตนารม์ต้องเจาะเจตนารม์ของบุคคลให้ลึกอย่าไปเจาะเจตนารม์ของคนไม่ลึกแล้วไปว่าเขาหน้าเราจะแตก ถ้าคุณเองล้วงลึกถึงเจตนาลมของผู้ที่เขามีเจตนาลมอั น, ด, น, นดีเป็นเจตนาลมที่บริสุทธิ์เป็นเจตนาลมที่ไรอะไรแฝงแม้แต่อคติคุณไปว่าเขาโดยที่ไม่รู้เจตนาลมอันลึกแล้วเขาก็มีจิตอย่างนั้นจริงคุณรู้ไม่ได้คุณไปว่านั่นนะไม่มีหน้าจะขายนะ เอาละเอาละแล้วคุณคนนี้ก็บอกว่าผมว่าน่าจะลดบทบาทลงก็เป็นแปรธนาดีก็ขอบคุณนะขอบคุณที่เสนอแนะมานะอาตมาเคารพคนที่แนะนําอะไรมานี่ก็ฟังเขาไปเจตนาดีนะก็ไม่ได้มาร้ายแรงอะไรหรอกก็ดีแต่เราก็ต่อบไปตามเจตนาของเราเสื้ออาตมาก็ขอบอกส้ำทับไปอีกทีว่าที่อาตมาทำนี่อาตมาทำด้วยเจตนาดีและคิดว่าอาตมาไม่พาทำชั่ว ไม่พาทำอะไรให้ไปทางที่ผิดจริงๆนะอาตมาเจตนาตั้งใจอาตมาจะทำนานเท่าไหร่ถ้ามีผู้ร่วมมือร่วมทำกระเปกอาตมาด้วยและสามารถที่จะมีองค์ประกอบในการทำงานไปได้เรื่อยๆอาตมาจะทำไปเรื่อยๆอาตมาว่าการทำอย่างนี้นี่นะถ้าแม้แต่เจ้าของสถานที่เขาก็เห็นดีเห็นงามว่าเราทำนี้มีประโยชน์ มีคุณค่ามีสิ่งที่ควรร่วมมือขณะนี้เขาร่วมมือบ้างแล้วเจ้าของสถานที่เขร่วมมือบ้างแล้วอ่าโดยการได้มาช่วยมาช่วยจริงๆเข้าใจและเราก็ตั้งใจทําจริงๆว่าเราไม่ได้มาทําเพื่อพักเพื่อพวกไม่ได้ทำมาเพื่อส่วนตัวไม่ไทําเพื่อลาบยศเสรสินโอกียสุขโดยเฉพาะไม่ได้มีคิดร้ายทําสิ่งที่ร้ายเลยแม้จะแฝงแฝงไว้ด้วยภาษานิดหนึ่งว่ามีเป้าหมายผสม เป้าหมายผสมอาตมาไม่เรียกว่าเป้าหมายหลักเป็นเป้าหมายผสมว่าจะให้แม้วไปงั้นนะมีเป้าหมายผสมแต่เป้าหมายหลักคือเราจะสร้างประชาธิปไตยอันสวยงามงดงามให้ดีงามอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของอาตมาใครจะร่วมช่วยอาตมาพยายามช่วยกันทําไปเรื่อยๆ นะยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไนะขความจริงออกมาให้มากๆาหมดหมดอย่างนี้อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะเป้าหมายร่วมนะที่จะมันเป็นกาละนี้ไงอันนี้ก็เอาไปก่อนขจัดไปก่อนนะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งในการเราจะมีโจทย์ทํางานเนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องที่จะโซ่ออกมาใช่ไหมมันก็มีเหตุปัจจัยเหล่านั้นและเราก็รู้ว่าอันไหนนะมันเป็นตัวที่จะต้องโซ่ออกมาให้มันได้ ได้ผลสมดุลเราจะโบกรบคูนหาเราไมได้มันก็ทําตัวนั้นให้ให้ได้น่ะเท่านั้นเองแต่เรามีเป้าหมายหลักของเราอยู่ว่าทุกๆก้าวย่างเนี่ยเรามีเป้าหมายใหญ่คืออะไรเป้าหมายผสมเราก็ทําไปเพราะเราทําให้เป้าหมายผสมนี่ชนะไปตามลำดับตามลำดับๆๆเรื่องนั้นมันก็เรื่องเนื้อชนะเรื่องนั้นแล้วเรื่องใหญ่ของเราจะใหญ่จะสวยจะงามไปอีไกลอีกไกล ต่อมาจากเชียงใหม่อาจะมาดูไปดูมาลืมดูนาฬิกาเขาสัญญานะสองทุ่มสิบห้าจวนแล้วนี่จะถึงสองทุ่มแล้วจากเชียงใหม่ดิฉันเป็นคนเชียงใหม่ร้อปเซนดิฉันเป็นชาวโสงร0อยเปอร์เซตโอ้โหหลายร้อยเนาะ <c oughs> แต่วันนี้ดิฉันขอเป็นพวกแปดเจ็ดศูนย์ห้าอันนั่นนะโอ้ เราเป็นฝ่ายเดียวกันนะ8ป0เจดห้าวันนี้มีอะไรพูดให้หมดเปลือกเลยเอาเรื่องพ่อท่านชนิดให้ท่านจนปัญญาโอ้โหยุยุยุแปดเจ็ดูหน้าวันนี้มีอะไรพูดให้หมดเปลือกเลยเอาเรื่องพ่อท่านชนิดให้ท่านจนปัญญาตอบคุณไม่ได้เลยฉันเป็นกำลัใจให้ฮ่าฮ่าฮฮ่ t e Times ฟรีฮ่าฮาีทันส์ดิฉันจะมาร่วมลงสนามเมื่อคุณแสดงตัวนะขอกราบบพระคุณพ่อท่านที่เอื้อผู้คนในวงกว้างด้วยเมตตากรุณาอันหาประมาณไม่ได้ลูกมารอบหนึ่งแล้วแต่นี่กลับไปแ้วก่อนน่าจะกลับมาอีกค่ะอ๋อไม่ใช่เราไปยุคคุณ8 7 0เจ่าคุณจับคุณหนึ่งหนึ่ง ที่ท่านโพธิรั์บอกว่าตนเองเป็นพระโพธิสัตว์หมายถึงว่าท่านจะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าองค์ไหนพยากร์ท่านหรือเป็นการอวดอุจนิมุสธรรมหรือไม่นะตอบอบอกว่าตนเองเป็นโพธิสัตว์หมายถึงว่าท่านจะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตใช่หรือไม่ถูกต้องนะเป็นเจตนารง์อัตมาจริงๆไม่ได้ทําเล่นและกระทำมาหลายชาติแล้ว ที่นี้ถามประเด็นต่อมาว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนพยากรณ์ท่านหรือเป็นการอุตริมุสธรรมหรือไม่อันนี้ก็ขอตอบว่าตอนนี้อาตมายังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดสิ่งนั้นยังไม่ออกมาว่าอาตมาได้รับพยากรณ์แต่เขาตอบได้ว่าอาตมาเนี่ยบอกตรงๆเลยอาตมาเป็นโพธิสัตว์ระดับเจ็ดระดับเจ็นี่อยู่ในนิยตตาโพธิสัตว์ ตอนนี้ก็เพิ่งจะเข้าไปเป็นเฟชชี่ของโรงพยาบามหาลัยพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ขั้นถึงกั้นซุเปร์หมอเลยเพิ่งเป็นเฟชชี่นะเพราะงั้นยังไม่แน่หรอกดีทายก็ได้อ่านะยังไม่ซุเปร์หมอเลยยังไม่อยู่เหนืออะไรเลยเพราะงั้นยังไปพิ่งพูดไปมากมายนะก็เอาก็ไปตามลาดับนะอาจจะมาก็ได้แค่นี้นะ ว่าจะเป็นพระเจ้าหรือไม่ได้มีผู้พยากรณ์แล้วหรือยังยังยังยังแต่อาตมาภาคเพียนอยู่นะนี่ไม่ได้โอ่อุจจตนาตาอาตมาพูดตามจริงนั่นบอกตามจริงส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนันอาตมาไม่มีสิทธิ์หรอกมันไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับให้ใครเชื่อหรือไปไปขอให้ใครเชื่อเพราะความเชื่อเกิดแต่แต่ละคนเองอาตมามีสิทธิ์พูดความจริงเท่านั้นเองอาตมาเป็นคนจริงจริงใจและก็จริงจังเพราะฉะได้เห็นเราแสดงทำหรือพูดมันจะจริงจังจริงจังอยู่เสมอจนคนเขาหาบังเครียด นะึ่งไม่ใช่นะันเป็นเรื่องนะันเป็นเรื่องจริงจังอ้านวะตอไปแล้วศ8 3ย์ดสามหนึ่งท่านไม่ควรพูดออกความเห็นกับการเมืองขอย้ำนะว่าคำว่าการเมืองเนี่ยมันมีสองในยะถ้าความเห็นการเมืองที่จะไปใช้เล่ใช้เหลี่ยมงั้นอาตมาไม่พูดาอัตมาอาตมาไม่เก่ง การเมืองแบบนั้นนะไอการเมืองเน่าๆอย่างนั้นอัจมาไม่เก่งจริงๆอาจมาจะไม่ออกความเห็นจะไม่พูดมีแต่จะไล่อย่างเดียวไอการเมืองเน่าๆไล่อย่างเดียวอัจมาไม่พูดอัจมาเองไม่เก่งเพราะอาจมาหลอกไม่เป็นสุจริตไม่เป็นคอร์รัปชันไม่เป็นทำบ้าๆบอๆไม่เป็นเผาบ้านเผาเมืองไม่เป็นตอแหลไม่เป็นเพราะาอมาไม่พูด ไม่พูดการเมืองแบบนั้นเราจะมาจะพูดการเมืองแบบสัจธรรมการเมืองที่เป็นไปเพื่อช่วยบ้านช่วยเมืองเพื่อทําให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ช่วยบ้านเมืองสงบเพื่อให้บ้านเมืองนี่เป็นไปอย่างสาธารณียธรรมเรื่องจริงเพราะฉะนั้นคุณศึกษาการเมืองบ้างว่ามันมีการเมืองอยู่สองใน ทุกวันนี้นี่คนเกลียดการเมืองคนไม่อยากเป็นนักการเมืองฉันเป็นนักฉันเป็นทหารอาชีพฉันไม่ได้ทหารการเมืองคําว่าการเมืองมันหัวเน่าหมดแล้วพราะการเมืองเน่าๆแบบนั้นน่ะอัตมาขออภัยเถอะขอพูดไปพยัญชนะอัตมาก็รังเกียจไอการเมืองเน่าๆแบบนั้นน่ะแต่การเมืองที่มันเป็นการเมืองอันดีงามคนต้องมีการเมืองการเมืองคืองานเพื่อบ้านเพื่อเมือง คนเราเกิดมาในหมู่กลุ่มใดตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่เป็นผีตองเหลืองมีคณะก็จะมีหัวหน้าเผ่ามีหัวหน้านำแล้วก็ทำงานดูแลปกครองบริหารกันไปเป็นการเมืองแล้วการเมืองระดับเผ่าเล็กๆแล้วก็มีเผ่าโตขึ้นเผ่าโตขึ้นจนกระทั่งเป็นคณะขึ้นมากๆขึ้นก็เป็นการเมืองซึ่งบริหารหมู่กลุ่มให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างดี ผู้ที่มีปัญญาและก็มีความจริงใจและมีความสามารถบริหารการเมืองอย่างนั้นคือการเมืองแท้ๆไอ้นี่มันไม่ใช่การเมืองมันการเมาการเมามันเมาเละเลยมันเละเทะหมดแล้วเพราะนั้นการเมืองอย่างนั้นอาจจะมาไม่ออกความเห็นด้วยผมออกไม่เป็นออกไม่เก่งหรอก็อย่างงั้นไอ้เน่าๆยากๆเน่าๆเรวๆยงงั้นอาจะมาไม่เป็นนะเพราะนั้นอาจจะมาจะออกความเห็นแบบนี้อย่ามาห้ามใช่ห้ยาก ฟังให้ชัดนะฟองให้ชัดนะอัตมาไม่ได้ขัดใจคุณหรอกอัตมาไม่ทําอยู่แล้วอย่างที่คุณพูดไม่ควรพูดออกความเห็นกับการเมืองและอัตมารู้ว่าการเมืองที่คุณหมายนี่คือการเมืองเน่าๆอย่างนั้นให้ออกคำแห่งั้นอัตมาไม่ออก <mm นี่จะไล่ออก <mm อัตมาจะทํามันนี้ออกความเห็นอันนี้น่ให้ชั ด, ชดๆจากผู้ชมสดๆครับ บรรยากาศนี้ควรจะพูดเรื่องง่ายๆเข้าใจง่ายดีกว่าครับคนเบื่อง่ายครับง่ายได้ยากที่จะมาพูดเนี่ยฮะง่ายได้ยากง่ายแล้วฟังเฮ่เฮ่มันง่ายยากได้ไงถ้ายากกับมือดิไม่รู้เรื่องดิพูดไม่ออกดิถ้ามันยากเห็นไหมนี่มันง่ายจากกธมครับ ทำอย่างไรให้คนดีๆเสนอตัวมาให้ประชาชนเลือกมาเป็นผู้แทนตอบฟังดีๆนะทำอย่างอาตมาพา ร, รม <c oughs> สองจริงๆไอ้อัตมาควรจะสามอัตมาควรจะสาหนึ่งทำอย่างพระพุทธเจ้าพา ร, รมสองทำอย่างพระเจ้าอยู่หัวพาธรรม สามอย่าทำอย่างอาตมาพาทำทำอย่างไร อ, อันนี้จริงนะคือการที่จะให้จะทำอย่างไรที่จะให้คนดีเสนอตัวมาให้ประชาชนเลือกมาเป็นผู้แทนเนี่ยเราต้องสร้างคนดีขึ้นมาเพราะอาตมาก็บอกตรงๆเลยทุกวันนี้อาตมาพาเป็นสร้างคนดีเราไม่อยากตั้งพรรคการเมืองเลย แต่เทวดาก็จับยัดมให้เราตั้งพักการเมืองขึ้นมาจนได้แล้วเราก็มีพักการเมืองคือพักเพื่อฟ้าดินแต่เราไม่เคยเอาพักเพื่อฟ้าดินนั้นออกมาอวดอ้างเอามาหาเสียงเอามาหากินเอามาทำงานอะไรเลยเราไม่เอาพักมาทำงานแต่เราเอาคนชาวอาโศกมาทำงานแล้วพักเพื่อฟ้าดินมันก็มีบายโปรดักของมันเอง มันเป็นผลตามข้อมันไปเองมันได้ข้อมันไปเองและสักวันหนึ่งพักเพื่อฟ้าดินก็จะมีประชาชนที่คุณอยากเลือกแล้วเมื่อนั้นคุณมาบอกนะถ้าเขตนี้สมมุติว่าเขตนี้มีคนมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่แสนคน ห้าหมืนหรือหกหมื่นคนมาบอกว่าพรกเพื่อฟ้าดินส่งคนลงเลือกมาบอกเลยถ้าเราเห็นเออเขาจริงใจนะเขาจะให้เราไปลงเลือกตั้งสักห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยไปเอาลงแต่ถ้าไม่มีใครมาบอกให้เราลงนะไม่ลงเมื่อคนมาบอกมาแสดงตัวว่าล้มท่าน้าสักห้าหมื่นหกหมื่นคนมาบอกดีมีสิทธิ์เลือกตั้งแสนหนึ่งแล้วมาห้าคนหกหมื่นคนนี้ชัชดเจนแล้วให้เราลง เราก็ไปลงลงแล้วไม่หาเสียงอ่านี่เป็นตราสารของพรรคเพื่อฟ้าดินเลยอ่าเชฟไปทิ่กรกะตเลยตราสารอย่างนี้เลยลงไปเลยว่าไม่หาเสียงถ้าหาเสียงถือว่ายังไม่ใช่ประชาธิป็ไตยเมื่อสมัครแล้วเมื่อประชาชนเขาต้องการคุณก็ไปเลือกสิถ้าคุณไม่เลือกแล้วก็ไม่ข้าไม่ได้เข้าปเป็นตัวแทน ถ้าปเป็นเรื่องเราก็ได้เข้าไปเป็นตัวแทนก็เท่านั้นเองก็จบนี่คือเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะทําอย่างนี้ให้ได้ไม่ได้ก็ช่างมันถ้าได้งี้ก็ถึกจะทําอย่าง น, างนี้นี่คืออุดมคติของพรรคเพื่อฝาดินนะสองทําอย่างไรให้ประชาชนทราบว่าคนใดเป็นคนดีไม่ถูกหลอกหากว่าคนพวกสส จำพวกเร็วๆนี้ยังเสนอตัวเบียดอยู่ในสังคมแต่คนดีไม่เสนอตัวประชาชนจะเป็นเลือกคนดีได้จากไหนล่ะตอบขณะนี้นี่นะชาวโศกไม่ได้มาเสนอตัวแต่ชาวโศกมาเป็นคนในสังคมมาแสดงความจริงของตนเองด้วยความจริงใจและตนเองก็มาปฏิบัติมาฝึกขัด เป็นคนรับใช้สังคมเป็นคนทำงานให้แก่สังคมแล้วก็มาทำจริงอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆจะบอกว่าเสนอตัวให้เลือกหรือเปล่าดูเอาดูเอาแล้วก็ดูไปดูไปดูไปจะใช่หรือไม่ใช่ดูเอาดูเอาดูไปดูไปนะ go on and see out ถึงไหนถึงกัน <c oughs> ถ้าทำคนหนึ่งคนสองได้จะได้คนดีปกครองบ้านเมืองคนไม่ดีก็จะไม่มีอำนาจอย่างที่ในหลวงตรัสไปเลยขอให้ท่านมิเคราะห์ด้วยวิเคราะห์แล้วคุณฟังทันไหมล่ะอาตมาตอบไปแล้วชัดเจนแล้วนะสรุปอีกทีหนึ่งว่าก็พยายามช่วยกันให้มีคนดีซึ่งอาตมามีหน้าที่ เพยืญญานยันในน้ำอาตมามีหน้าที่มีหน้าที่ที่จะช่วยทําให้คนดีอาตมาทำสร้างคนแล้วคนก็มารวมตัวกันเป็นหมู่บ้านจนขณะนี้หมู่บ้านที่อาตมาพยายามสร้างคนก่อนแล้วคนมารวมตัวเป็นหมู่บ้านเองเพอเป็นหมู่บ้านแล้วในหมู่บ้านนี้มันก็เลยครบบ้านวัดโรงเรียนก็เลยมีทั้งบ้านวัดโรงเรียนก็อยู่กับทั้งบ้านก็บ้านแบบนี้แหละ เป็นคนแบบนี้วัดโรงเรียนก็เอือ้อเกื้อกูลกันช่วยเหลือ ก, กันครบไปก็เลยกลายเป็นการสร้างคนตั้งแต่เด็กไปเลยเดี๋ยวนี้มีเด็กตั้งแต่อนุบานไปจนกระทั่งกำลังจะขอสร้างมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของเราเองตอนนี้เรามีวิทยาลัยแล้ววิทยาลัย อ, อาชีวะซึ่งทางกระทรวงเ็าให้เขาให้ตั้งแต่ยังไม่ได้มหาวิทยาลัยที่จะเป็นปริญาตรีโทเอกขึ้นไปก็กาลังอยู่ นี่แล้เราจะสร้างคนอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆเราสร้างนี้ให้สังคมจริงๆได้เท่าไหรก็เท่านั้นได้ตามจริตเราไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงอะไรให้ได้ก็แล้วกันให้เป็นจริงอะไรเราต้องการความจริงเราไม่คำนึงถึงปริมาณถ้าได้คนจริงดีจริงๆน้อยไม่ว่าแต่มากก็ดีสิแต่มันไม่ง่ายนี่เพราะงั้นใครจะมาช่วยให้มันมากมาเอาแต่ละคนมาร่วมกันสร้างมาร่วมกันร่วม ม, ว ม, มือกัน ก็ดีขอบคุณในอนุโมทนานาการกรทำนี้จากเจ็ดห้าหกเจ็ดพ่อหนึ่งผู้ให้กำเนิดพ่อสองพ่อพระศกนิกรของชาวไทยทั้งชาติใครบังอาจรูหมิ่นท่านจงชิบหายเจ็ดชั่วโคตโอ้ออว่าัคนนี้อาศัยปากอาตมา ขออา้ัยปากอาตมาให้อ่านต่อมาคนจากชุมพรดิฉันดูที่เเอมทีวช่องเดียวศรัทธาท่านมากยิบสีนี้จะขึ้นมาร่วมชุมนุมด้วยแต่เพื่อนข้างบ้านแต่เพื่อนบ้านมาบอกว่าท่านเคยถูกสั่งให้ศึกไม่น่าศรัทธาประญาใหญ่ดิฉันทะเลาะกับเขาทุกวันเลยค่ะ เขาบอกว่าต้องวัดธรรมกายถึงจะดี อ, ะอย่าดูช่องเดียวหลวงพ่อช่วยอธิบายออกทีวีด้วยครับเอาตอบ อ, อย่าดูช่องเดียวในจริงของเขาอัตมาก็ดูธรรมกายก็ดูดูดีทีทีทดีดีทีวีก็ดู ดีดีทีวีนี่ซั์อาตมาบ่อยอที่สุดเลยตั้งมีรายการซัดอาตมาเลยนะดีดีทีวีเนี่ยนะดีดีทีวี TV ก็ดูธรรมกายก็ดูแต่ที่ธรรมกายเขาไม่แขวะอาตมาเลยนะรับดีมากนี่ไม่เลยก็ทําไปของเขาเขาเข้าไปเขาตามประษาเขานะไปนะตามเรื่องตําราของเขาจะเขารคเข่าพงไงเขาก็เข่าไปเข้าไปเอง อัตมาก็ดูดูทุกเจ้าแหละดูเจ้านั้นเจ้านี้เจ้านี้อย่าดูช่องเดียวนี่เห็นด้วยนะทีนี้ก็บอกว่าศรัทธานั้นมันคนเราก็ปัญญาใครปัญญามันนะจะไปบังคับปัญญาใครจะศรัทธาใครก็เอาเถอะนะสุดท้ายการทำปัญญาใครก็เจตนาภาคเพียนเอาดีๆกันแล้วกันนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุดท้ายมันก็เห็นต่างกันได้เรื่อง น, นานามันแตกต่างกันเพราะฉะนานานแล้วคนไหนที่เห็นคนไหนอันไหนดีก็เลือกเอา น, นี่เป็นสุดท้ายเป็นอิสระเสรีภาพพระเจ้านี่มีอิสระเสรีภาพมาแต่ไหนแต่ไรท่านไม่เคยไปบอกว่าเจ้านี้ผิดเจ้านี้ถูกคุณใช้ปฎิิจารณาของคุณเองให้ไปดูทั้งสองข้างดูแล้วข้างไหนเป็นธรรมวาทีฉันใช้คําอย่างนี้หมายความว่าพูดถูกต้องอะฝ่ายไหนที่คุณเห็นว่าอธรรมวาทีฝ่ายไหนไม่ถูกต้องก็ไม่เอา ไปในที่เป็นธรรมวาทีก็เลือกเอาตัวใครตัวมันท่านให้อิสราเอลีฟ้ามาแต่แต่งยุคท่านเลยพระเจ้านี่เป็นสุดสูงสุดยอดของนานาสังวาส น, นานาสังวาหมายคําว่าก็เราเป็นมนุษย์ร่วมกันอยู่ร่วมกันหรือเป็นพุทธร่วมกันฟังชาวพุทธอาพุทธอากลุ่มนั้นว่างนี้พุทธกลุ่มนี้นว่างนี้อากลุ่มไหนว่างไงเลือกเอาสิเห็นอันไหนคุณคุณนั่นแหละตัดสินว่าอะไรเป็นธรรมธรรมวาทีคุณตัดสินเองคุณก็เข้าก็ข้างนั้นไม่มีปัญหา ต่อมาจากวังทองเฮาส์โลกธรรม8แปดทำให้ผู้ขาดคุณธรรมเสื่อมและเน่าในในทางธรรมมีผู้กล่าวว่าโดยเฉพาะอํานาจทำให้คนเสื่อมและเน่าได้ง่ายที่สุดคุณปูก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ได้ลิมรสอํานาจจึงเกิดการเน่าอย่างรวดเร็ว <c oughs> ส่วนข้าวก็เป็นตัวอย่างปัญหาอีกอันหนึ่งที่ถูกอำนาจทำให้เน่าและเสื่อมปัญหาก็คือประชาชนข้าราชการตำรวจทหารจะตื่นรู้ได้อย่างไรจะได้รอดพ้นจากภัยข้าวเน่าและปูเน่าโดยมีผงกะหรีโรยหน้า อ, <c oughs> อัตมาไม่อธิบายไม่พูดอะไรแล้ว อ, อัตมาไม่ค่อยเก่งก็ขอผ่านกันเลยกันอ้าวตกลงขนะนี้ สองทุ่มยี่สิบนาฬิกาสิบห้านาทีแล้วมันยังเหลืออยู่อีก5้าสี่ประเด็นขออ่านสี่ประเด็นเนี่ยนะยังไงก็ขอเลยเป็นจิตหนึ่งจะพยายามจะให้มันไม่ให้ยาวจะเดี๋ยวเลยเวลาไปไปเดี๋ยวจ่ายชาติว่าเอา <c oughs> อาจากครองสามปทุมธา น, นีท่านไปโดนแก๊สมายังไม่เข็ดอีกหรือ อาตมานะจริงๆก็ก็เข็ดอยู่รอสิ่งที่ควรเข็ดแต่ว่าอาตมาน่มันคือว่าอาตมามันมีภาวะที่มันทนไม่ได้ต่อความกรุณาอย่างที่ว่านี่เพ <c oughs> ราะงั้นก็เอามันก็ไปคิดว่าคนเราจะใจจืดใจดำใจร้ายใจเลวอย่างถาวนนะ นาคนเราก็คงจะร้ายได้เป็นคราวๆน่าจะหยุดร้ายได้นะอ่าไม่น่าจะใจร้ายใจเลวถาวร น, นะมันควรจะร้ายเลวได้เป็นคราวๆก็ควรจะสำนึกแล้วแค่เปลี่ยนซะก็อ่าไออบโซนะ <c oughs> อ้าวจากกำแพงเพชรในดูหลวงพ่ออยู่ค่ะเอาใจช่วยนะคะ เดี๋ยวจะพากันมาช่วยเป็นมวลค่ะขอบคุณมาเลย <laughs> จากุลาโพงค่ะหลวงพ่อค่ะประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจริงใจไหมที่เขาจะมาร่วมหนะักอาตมาไม่มีอาเทศนาปาติหารจะไปล่วงรู้ใจเขาอาตมาไม่มียิงเจ้งอาตมารู้ใจประชาธิปัตย์ไม่ได้หรอกนะ ที่นี่เราก็ไม่ไ ม, มปปัญหาเราไม่จะ ป, ประชาธิปัตรหรือจะพวกไหนพวกไหนก็แล้วแต่ขอให้ทำความเข้าใจประชาธิปิัติก็ดีอย่าหลงติดอำนาจอย่าเป็นนักรัฐศาสตร์ล่าอานาจจงทำเพื่อประชาชนส่วนตัวเราจะมีอำนาจไม่มีอำนาจนั้นอย่าไปหาวิธีสร้างอานาจใส่ตัวเองใส่พรรคพวก ทำความสุจริตทำความจริงรับใช้ประชาชนเพื่อประชาชนให้จริงไม่เช่นนั้นทำเพื่อพักเพื่อพวกทำเพื่ออำนาจอยู่นั่นนะ่ะมันไม่ใช่การเมืองประชาธิปไตยอ่าอันสุดท้ายจากกิ่งเพชรระบอบทักษิณส่งเสริมให้คนโลภโลกรธ ล, ลงครับทําให้คุณรู้่啊 อโอ้โหฉลาดจังเลยเอาละอาจจะมาเลยเวลาเขาไปหลายนาทีก็ขออาภายัยสำหรับวันนี้ก็คิดว่าได้ตาระพอสมควรก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้จเจริญธรรมทุกคน